ในเรื่องของทิฏฐิก็ในบรรดาทิฏฐิต่างๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าในด้านของมิจฉาทิฏฐิที่เราศึกษากันเนี่ยสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก็คือว่ารู้จักสมาธิทิฏฐิว่าเป็นสมาธิทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้ของเธอนั่นจึงจะเป็นสมาธิทิฏฐิเนี่ยนะตรงนี้ก็ดังที่ได้กล่าวเกี่ยวในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยว่ามีมากมาย นับแต่เบื้องต้นก็คือเกี่ยวในเรื่องของอัตตาทิฏฐิหรือสักยทิฐิความเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยนีคือการเป็นยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของของเราเนียเป็นต้นนี่เราก็จะพูดกันแบบย่อๆแล้วก็สั้นๆอย่างนั้นแต่ในรายละเอียดจริงๆได้มากเราจะยังไม่ค่อยได้ไปถกในรายละเอียดของพิจาทิฏฐิเหล่านั้นตรงนี้ก็เราจะตามในเรื่องของทิฐิ ทำความเข้าใจในเรื่องของทิฏฐิให้ชัดหน่อยนะว่าออในด้านของทิฏฐุปาทานเนี่ยก็ไปเกี่ยวในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพราะในปฏิจจสมุปบาทนั้นน่ะตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานในที่นั้นเป็นชื่อของทิฏฐุปาทานคือการยึดมั่นคือทิฏฐิก็คือความเห็นผิดหกสิบสองประการดังที่ได้กล่าวแบบย่อๆแบบประเภทใหญ่ทีนี้ในประเภทใหญ่เหล่านั้นเป็นความเห็นผิดที่ปรากฏ ในพุทธศาสนาหรือในโลกที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ที่ตูปทานเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐิเนี่ยเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐิที่เกิดขึ้นก่อนและตามที่ยึดถือว่าเป็นความเห็นนี้เป็นความเห็นถูกเป็นต้นเหล่านี้นะเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐิเครื่องยึดมั่นทิฏฐิเนี่ยการแปลของเขาก็เป็นเพื่อให้เข้าใจสภาวะของทิฏฐิให้มากขึ้นในด้านของทิฏฐิเนี่ย ต้องกล่าวถึงว่าถ้าศีรับประตูปาทานนี่ยนั้นก็เป็นความยึดมั่นศีลพศอันนั้นก็ได้อถาธิบายไปแล้วไปความไปเข้าใจว่าสีนี้เท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏทุก์เป็นต้นได้เนี่ยนะทีนี้คําว่าอัตวาทุปาทาหรืออุตัตวาทุปาทานังเนี่ยที่เราเข้าใจก็คือสภาพที่ยิ่งใหญ่ภายในสัตว์บุคคลยึดมั่นในความคิดความคาดทะนีก็เรียกวา่าอัตตานี่นนยแหละ เป็นสิ่งที่มหาชนในโลกในโลกก็รู้กันว่าสัตว์ก็ดีบุคคลก็ดีชีวะก็ดีเป็นต้นเหล่านี้ยชีว่าโลกเดรัจฉีต่างๆก็สมมุติว่ามีพระเจ้าเนรมิตอัตตาหรือตัวตนต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเกิดขึ้นโดยสายพระเจ้าบ้างเที่ยงแท้เสมอบ้างบางส่วนขาดศูนย์เครื่องบางอย่างไม่เที่ยงบางอย่างเป็นต้นบ้างทีนี้เครื่องยึดมั่นของเราสัตว์กล่าวคืออัตตาเนี่ยนะเป็นพิเศษเนี่ยเขาเรียกอัตวาทุปาทานั้นเขาหมายถึง สักจจะพิธิที่มีวัตถุ20อย่างที่กล่าวไว้ในชั้นของอรรถกถาและในชั้นของดีกาทั้งหลายเนี่ยนะนี่จะกล่าวตามในยะของดีกาที่ท่านขยายขยายมาจากในปฏิจจสมบาทในหลักสูตรที่เราใช้เรียนกันนี่แหละถ้าในหลักสูตรที่ใช้เรียนใช้ศึกษากันก็พูดถึงในด้านของสักจยทิฐิที่เขาเรียกว่าอัตวาทุปาทานเหมือนกันก็นกเรียก อ, อัตตาพิธิ คือสักกายทิฏฐิที่ยึดมั่นกันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนตมีอยู่ยี่สิบอย่างโดยพิสดารก็สองร้อยห้าสิบหกไปแค่คิดอย่างเดียวก็นั่งงงกันอยู่เนี่ยนะสักกายทิฏฐิที่เกิดขึ้นโดยสายรูปก็โดยสายรูปเป็นอารมณ์มีอยู่สี่อย่างในสี่อย่างเนี่ยนะถ้าไปยึดมั่นแบบรูปแบบโดยภาพกว้างๆเนี่ยจะมีสี่มีสี่ก็คือว่า รู ป, ปังอัตโตสมนุปัสสติเนี่ยมีความเห็นว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปเนี่ยรูปเป็นเราเราเป็นรูปเนี่ยอันนี้หมายความว่าไปเข้าใจว่าเรากับเรากับร่างกายอะ่ะหรือกับรูปร่างกับรูปทั้งหมดเนี่ยเรากับรูปยี่สิบแปดเป็นอันเดียวกันเห็นไหมไปเข้าใจว่ามหาพุทธรูปอุปาทยรูปคําว่าเรานเนี่ยนะเราคือตัวอัตตาตัวตัวสําคัญผิด ไอตัวทิศที่ความยึดมั่นว่าไอ้รูปยี่สิบแปดใช่ไหเราเนี่ยกับรูปยี่สิบแปดเป็นอันเดียวกันเหมือนกับที่เห็นว่าเปลวไฟกับแสงไฟว่าเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นะคือไปเข้าใจว่ารูปยี่สิบแปดเนี่ยกับเราอ่ะแท้จริงเขาตั้งเราก่อนใช่ไหมเราเนี่ยกับรูปยี่สิบแปดเป็นอันเดียวกันอันนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้แยกส่วนถ้ากลุ่มแยกส่วนดี่มันจะพิสดารขนาดไหน ก็ยึดมั่นปัทวีใช่ไหมเรากับปัทวีเป็นอันเดียวกันเรากับอาโปเป็นอันเดียวกันเรากับเตโชเป็นอันเดียวกันเรากับวาโยเป็นอันเดียวกันเรากับจักรคุปษศาสตร์เป็นอันเดียวกันเรากับโสตต์ประสาศเป็นอันเดียวกันเรากับคานณประสาศเป็นอันเดียวกันเรากับชิวหาประสาศเป็นอันเดียวกันเรากับกายยะประสาศเป็นอันเดียวกันเข้าใจไหมเรากับรูปารมณ์เป็นอันเดียวกันเรากับศัทธารลมเป็นอันเดียวกันเรากับคันธารลมเป็นอันเดียวกัน เรากับราษารลมโภธถภารม์และธรรมารลมเป็นอันเดียวกันเนี่ยกระจาไปเรื่อยเรื่อเริ่มจะเข้าใจไหมถ้าว่าเดียวย่อมีหนึ่งใช่ไหมพิสดารเท่าไหร่ยี่สิบแดเนี่ยเฉพาะรูปอย่างเดียวก็ว่าอย่างนี้ยทันที่ก็คิดเยอะๆเนะี่ะอย่แปลกและสัตว์ทั้งหลายก็ยึดมั่นทุกตัวแหละผมอ่ะยึดมั่นผมกนะ็ได้แต่จะแยกไปแบบประเภทไม่ใช่ปรมัตจารเลยเนี่ยเรากับผมเนี่ยเป็นอันเดียวกันเรากับขนเนี่ยเป็นอันเดียวกัน เรากับเล็บ ก, กับฟันกับหนังกับเนื้อกับเอ็นกับกระดูกกับเยื่อในกระดูกก็ลาไปทีนั่นแหละเป็นอันเดียวกันอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขายึดมันว่าเรากับร่างกายเป็นอันเดียวกันเรากับรูปเป็นอันเดียวกันเข้าใจไหมนี่ต้องถามานี้คนเราค่ อ, คอยๆเจาะลองไปอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไปนั่งคิดดูนะนะเออ ย, อย่างนี้แหละ แต่ก่อนไม่ได้ขยายเพราะพดเร็ว ๆ, ๆไปนี่ทำไมเขาไม่เข้าใจเร็วๆทำไมเขาไม่เข้าใจแต่นี้เข้าใจใช่ไหมมนุษย์เข้าใจอะไรยากอ่าแต่นี้ข้อสองเขาบอกว่ารูปวันตังวาอัตานะันเขียนว่าเรามีรูปถ้าบอกว่าเรามีรูปเนี่ยกลับไปเข้าใจว่าเรากับรูปเนี่ยเป็นคนละอันแะ น, นี่เข้าใจคนละนแล้วมื เหมือนกับต้นไม้กับเงาเหมือ น, นเป็นคนละอันเลยนะต้นไม้กับต้นไม้เงากับเงาสิใช่ไหมนี่คําว่าเราก็คือเราคําว่ารักคาว่ารูปคือไหมเราก็ปัตวีคนตัวใช่ไหมเราก็เตโชเราก็ปัตตวีทา่าเราก็เตโชทา่าเราก็วาโยทา่าเราก็อาโปทา่าเราก็เตโชทา่าใช่ไหม ดินน้ำไฟลมอ่ะกันเราเนีเนนเน่เป็นอันเดียวกันไหมฮะอ้เป็นอันเดียวกันไหมเป็นอันเดียวกันหรือคนละหรือคนละส่วนคนละส่วนก็เข้าเป็นอัตราข้อนี้ไงเป็นเนี่ยพวกเราก็เป็นศัพยะที่จีข้อที่สองนี่แหละเราไปถือว่าเป็นคนละเห็นไหมเห็นไหมเรายังมีศัพยะที่จีไหมยังมีอยายเกิดนะตอนใกล้ตายเนี่ย จริงๆเรามีไหมอ่าเมื่อกี้ถามว่าเรากับร่างกายเลยเป็นอันเดียวกันหรือก่นล่ะถ้าเห็นอย่างนี้เป็นสักยะยิ่งถีประเภทสองใช่ไหมต้องเข้าใจอย่างนั้นตอนเริ่มจับตาลอยๆนะนี่นอันนี้คนละอันแล้วนะคําว่าเรามีรูปอะเรามีปฐวีธาตุเรามีเตโชธาตุเรามีวาโยธาตุใช่ไหม เรามีเรามีอาโปธาเร า, ามีตาเรามีหูเรามีจมูกเรามีลิ้นเรามีกายเคยไหมคิดอย่างนี้ไหมอ้าวข้อที่สามอัตตนิวารูปังนี่เข้าใจว่ารูปอยู่ในเราเข้าใจว่าเรากับร่างกายเป็นคนละอันเหมือ น, นกันเขาไปเข้าใจว่ารูปเนี่ยอยู่ในเรา เ, าเข้าใจยังไงดีว่ารูปอยู่ในเราเนะี่ยปัทวีก็อยู่ในเรานี่แหละ อาโปธาต์ก็อยู่ในเรานี่แหละวาโยธาต์ก็อยู่ในเรานี่แหละใช่ไหมไตรโชธาต์คือธาต์ไปก็อยู่ในเรานี่แหละจากขุประสาทก็อยู่ในเราโสตปร萨าทก็อยู่ในเราคานาประสาทก็อยู่ในเราคานาป萨ต์ชิวหาป萨ต์กายะป萨ต์ก็อยู่ในเรานี่แหละนี่ก็ยังเข้าใจโบรานอยู่ในแหละอันนี้แต่ว่าสลับใช่ไหมประการสุดท้ายก็คือรูปปัสมิงว่าตามีความหมายว่าเราอยู่ในรูป โลกกับร่างกายเป็นคนละอันหนึ่งเหมือนกันแต่ไปเข้าใจอะไรว่าเราเนี่ยอ๋อเราอยู่ในปฐวีไม่ใช่ปฐวีในเราแต่นี้มาเข้าใจสลับแล้วเอาเราไปอยู่ในปฐวีเราไปอยู่ในเตโชเราไปอยู่ในวาโยเราไปอยู่ในอาโปเราไปอยู่ในเราไปอยู่ในไหนดีในจักรวาลศาสตร์ใช่ไหมเราไปอยู่ในคานาประสาสตรในชิวหาประสาสตร์เราดึงผมออกมาโดยที่มีเราอยู่ในนั้นนหมมีไม่มี ใช่เลยแมยเนี่ยเาไปคนอยู่วาเรามันปิดอกไปสิงอยู่นี่นแบบั่นแหละเนี่ยแค่เนี้ยยากไหมก็เอาสี่อย่างเนี่ยเอาไปคูณกับสิบสิบยี่บแปดเอาไปคูณกับยี่สิบแปดกลายเป็นพิสดานร้อยสิบสองเลยแค่นั้นแหละเนี่ยเงว น, นพิสดานของเขานได้ด้านของรูปกระแขันเนี่ยนะไล่ไปเหอะไล่ไปปัทวีเตโช ว, วายวโปรเนะเนีไล่ไปจะถึง ชั้นอาจารานี่จะตาเป็นต้นเนี่ยขยั้นักยญาติสี่เนี่ยนะศักยญาติที่ตีสี่ก็คูณรูปยี่ิบแปดจะเป็นร้อยสิบสองกว่ายากไงหมกันเนี่ยนี่ก็าอยกเรียนตามหลักสูตรที่เขาเรียนกันอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายในรายละเอียดในชั้นเขาดีกาให้ฟังนะะต่อไปดูเวทนาอข้อนอนั้นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นถึงว่าเข้าใจแล้ว อา้าวเรื่องรูปนี่เข้าใจไม้มอย่างเงี้ยเข้าใจนะอันแรกว่าไงนะต้าใจว่าไงแม่อันแรกว่าไงเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเออล้วก็บปฐทวีท้าเป็นอันเดียวกันเพราะข้อที่สองว่าเรามีรูปใช่ไหมกเข้าใจยังไงคนละส่วนแเรามีรูปใช่ไหม นั่นแหละนั่นแหละจริงๆก็คือคําว่าเราในที่นั้นคืออัตตาอัตตาเนี่ยแะไม่ใช่คำว่าอัตตนังนึงต่อไปเกี่ยวในเรื่องของเวทนาในเรื่องของเวทนาในเวทนังอัตโตะสมนุ ป, ปัสสติเนี่ยเห็นว่าการเสวยอารมณ์เป็นเรา <laughs> เราคือการเสวยอารมณ์เราคือการเสวยอารมณ์อันเดียวกันในการเสวยอารมณ์ก็เป็นเรา เราก็คือการเสวยอารมณ์เข้าใจว่าเราและการเสวยอารมณ์เนี่ยเป็นอันเดียวกันเลยแยกไม่ออกเลยใช่ไหมเคยไหมเราสุขเราทุกข์เราเฉยเฉยเป็นบ่อยไหมแบบนี้ใช่ไหมเราสุขว่ามันไปเข้าใจเป็นอันเดียวกันไปแล้วเนี่ยไอ้สุขเวทนาก็เป็นเราเนี่ยแหละไอ้ทุกขเวทนาก็เป็นเราเนี่ยแหละ อุเบกขาเวทนาก็เป็นเราเนยจากขู่สัมปัสสชาเวทนาโสตสัมปัสสชาเวทนาการะสัมปัสชาเวทนาจิวหาสัมปัสชาเวทนากายะสัมปัสสชาเวทนามโนสัมปัสชาเวทนาเราลองลองลองใช้นิ้วหยิกตัวเองดูดิใครเจ็บนั่นแหละเนี่ยเนี่ยสักยาที่ใช่ไหไหเนี่ยการสวยอารมณนี่เป็นเราเราเป็นการสวยอรมณ ใช่ไหมพยิข้าไปพบเนี่ยแท้ที่จริงสภาวะของเวทนาน่ะเป็นผู้เสวยไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้เสวยหรอกอนสุขเวทนาเขาก็ทํากิจเขเข้าไปได้เหตุได้ปัจจัยเขาก็เกิดหมดเหตุหมดปัจจัยเขาก็ดับเขาไม่ได้เข้าใจอย่างนี้เขาไม่รู้หรอกเวทนานั้นมีปัจจัยทั้งหลายอย่างทั้งปัจจัยในส่วนของอดีตภพและปัจจุบันภพแล้วยังปัจจัยอยีกเยอะแยะหมดใช่ไหม ปัจจัยที่จะทําให้เกิดเวทนามีทั้งแปดอย่างที่กล่าวไว้ในคำทีสัญยุตานิการสรายทะนะวรตเล่มที่ยี่สิบเก้านี่ยของฉบับมหาพงศ์ฎนะถ้าในในเล่มที่สี่ส้าเล่มก็นี่นแหละในสลายทะนาวัต ก, ก็ไปดูเนี่ยใช่ไหมในเวทนาสัญยุตเนะี่ยไปดูสิแล้วก็จะเห็นว่าโอท่านพูดถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดเวทนามีทั้งหลายอย่างใช่ไหม ดีก็ได้สเสลดก็ได้ดีสเสลิดเป็นต้นรวมกันเป็นต้นก็ได้เนี่ยแต่สัตว์โลกทั้งหลายก็ไปเข้าใจเห็นว่าการสวยอรมเป็นเราเราการสวยรมอีกอย่างหนึ่งเรามีการสวยอารมณ์นี้เข้าใจว่าเราและการสวยอารมณ์นี้เป็นโกลานเลยเรามีการสวยอารมณ์นะเรามีสุขนะเรามีทกุกเรามีอุเบกขา มันจะมีคําว่าเราเนี่ยบอกให้สังเกตดนูนะว่าตรงเนี้ยคนที่โทร ม, มานัดมากๆเนี่ยต้องเอาไปคิดบ่อยๆรู้สึกจะโทร ม, มานัดมากเมื่อพัดพากเนี่ยเราจะได้รู้ว่าจริงๆเลยถ้าจริงโตวเวทนาเนี่ยเป็นผู้เสวยอารมณ์การเสวยอารมณ์คือเป็นเวทนาไม่ใช่เราเสวยก็ปล่อยมันไป <laughs> นั่งดูเขาเลยอ๋อใช่ไหมวันนี้เราจะไปดูเวทนาทเขาทาจิตก็ไปนั่งดู หมายความว่าไปนั่งวิจัยก็ดู น, นะถ้ามันทุกขเวทนาเกิดขึ้นใช่ไหมมันเกิดถูกกระทกบกระทั่งกันดูเขาใช่ไหมเขามาดูในที่นั้นก็ไปลองดูนีมันใช่เราไม่เป็นผู้ตัวเขาจะว่าเขาไปวิจัยดูเอเวทนาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยปัจจัยปัจจุบันเกิดจากภาษานนอะใช่ไหมอันนี้มีภาษาเนี่ยมีจักขูษษาสาาา่สัมปสษะใช่ไหมมีโซตสัมปะษะค า, า, า, านะสัมปะษะชิวหาสัมปะษะ กายาสัมปัสส์โมโนสัมปัสส์ใช่ไหมมันต้งเกิดนี่นะเอาแล้วเวทนานี่เป็นผลใช่ไหมมาจากอะไรวิชาธนกรรมในอดีตใช่ไหมจะบอกโอ้เป็นอย่างนี้นจิงๆคนใช่ไหมเออเวทนาเวท น, นานี่มันเกิดกับสัต์ทุกจำพวกเลยนี่นี่มันได้ปัจจัยมาเกิดไงกระแสะขันทาศายะธนานานี้แล้วมันได้อีกปัจจัยแล้วนี่มันเกิดขึ้นมาเลยแลเกิดหนักด้วยเนี่ยโอ้โหถูกอคุณธกรมรมเบียดเบียนหนักเลยใช่ไหมทุกขเวทนาก็บีบคั้นใหญ่ต้องร้องไหม เอ้าท่าดีบท่านหนักหร้องไหมเอ้ามันดีบหนักอะทาไมต้องร้องอะ้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมเนาะร้องเองร้องแล้วมันหายตอนที่ยาบอกว่าให้รอดูเวทนาการพิจารณาไม่ไม่ใช่การ่มเจ้าสาไปพิจารณาก่อนรือว่าต้องรออ๋อหมายความว่าจริงๆการพิจารณาก็ต้องใกล้ควรทั้งก่อนทั้งในขณะที่เกิดและหลังเลยต้งแ ก็พิจารณาทั้งหมดเลยแต่ปัญหาว่าเวลาเวทนามันเกิดชัดๆเนี่ยได้มากเราพิจารณาก่อนบางครั้งมันไม่เคยเห็นแรงๆทุตีเลยใช่ไหมเพราะมันเกิดขึ้นมาแรงๆแล้วมันจะได้เข้าใจว่าตัวเวทนาน่ะมันทํากิจของมันเหตุที่ทํากิจนั้นเพราะมันได้ปัจจัยในปัจจุบันแล้วบวกกับปัจจัยในอดีตยังไงจะได้ไปเข้าใจเข้าใจใช่ไมงมเอาแน่นอนถ้าไม่ใครคนมาก่อนอยู่ๆไปเห็นเลย เพราะพราะในกลุ so law, so law, ่มของเวทนาเนี่ยในกลุ่มของพูดคือของเวทนาที่จริงถ้าจะพูดเวทนาเนี่ยนายต้องพูดให้ให้ไปจนจบกับความเย็นของเวทนาด้วยซ้ำไปถ้าพูดตรงนี้เนี่ยเออก่อเนี่ยกาลังกำลังเพราะเพราะจริงๆถ้าพูดถึงเวทนาเนี่ยมันจะต้องเชื่อมไปตรงนั้นจะได้เห็นว่าเวทนามันเย็นยังไง ก็วกต่อมาไม่ได้เ่ยเราเ่ได้เขยตรงนี้นะเดี๋ยวเชื่อไม่ดูที่หลังก็นเลยว่าจริงๆตัวเวทนานี่เนี่ยคือสัตว์โลกทั้งหลายโดยมากจะเข้าใจเวทนาผิดพลาดแต่สำคัญว่าการสะเวทลมอยู่ในเราใช่ไหมเมื่อกี้บอกเรามีการสะเวทลมเข้าใจว่าเราได้การสะเวทรมเป็นคนนานใช่ไหมแต่คําว่าเอาอัตราขึ้นก่อน เตัวเวทนาไวท้ทีหลังแค่นั้นแหละส่วนข้อที่สมอัตหนีวาเวทนานก็คือการสวยอารมณ์ีนอยู่ในเราอันนี้เป็นเป็นพูดถึงการสวยอารมณ์เลยว่าตัวสุขเวทนาก็อยู่ในเรานี่แหละทุกขเวทนาก็มาสิงอยู่ในเรานี่แหละตัวเวขาเวทนาก็มาสิงอยู่ในเรานี่แหละทมนัสเวทนาก็มาสิงอยู่ในเราเนี่ยทุกขเวทนาก็สิงอยู่โทมนัสก็สิงอยู่สุขเวทนาก็สิงอยู่แล้วก็ อุเบกขาเวทนาก็สิงอยู่ในเรานี่ไปเข้าใจว่าการเสวยอารมณ์อยู่ในเราเข้าใจว่าเราและการเสวยอารม์เป็นกุลาลันกันอันแรกบอกเราและการเสวยอารมณ์เป็นกลาลนเราและการเสวยอารม์เป็นกุลาลันก็ไม่ต่างกันเลยใช่ไหมแต่เพียงว่าจะจับอะไรขึ้นก่อนจะพูดเอาเวเอาการเสวยอารม์เอาตัวเวทนาก่อนหรือตัวอัตตาก่อนบางครั้งก็บอกว่าเอาตัวอัตตาเนี่ยในตัวเราเนี่ย ขึ้นมากล่าวก่อนว่าเราและการเสวยรมเนี่ยเป็นคนละอันหรือการเสวยรมอยู่ในเราเนี่ยข้อที่สี่เวทนายาวะอัตานังก็คือเราอยู่ในการเสวยรมเข้าใจว่าเราและการเสวยรมเป็นคนละอันอีกเหมือนกันเราเนี่ยอยู่ในการเสวยรมนะในการเสวยสุขเวทนาเราก็อยู่ในนะั้นในขณะได้รับทุกขเวทนาเราก็อยู่ในนั้นแหละ ในขณะที่รับโทมนัสเวรนาเราก็อยู่ในนั้นแหละในขณะที่โสมนัสเวรนาเราก็อยู่ในสมนัสเนีน่ยและอุเบกขาวเวรนาเราก็อยู่ในนั้นแหละเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเป็นนี้อ่ะตรงนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างส่วนในสังขารวิญญาณก็ก็ไม่ยกแล้วอันนี้ถือว่ายกรูปกระนำเบ็ดเสร็จแล้วนะทีนี้ต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของทิฏฐิ ป, ปาทานกั้นที่ได้ครับ คำว่ทิฏฐุปาทานเนี่ยเป็นการเป็นอัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้จักกันเป็นใบบญญยายว่าเป็นสัตว์บางเป็นบุคคลเป็นชีวะบางในสักยารทิฏฐิวัตุยี่สิบเนี่ยนะเขาเรียกว่าอัตวาทุปาทานยึดมั่นก็หมายความว่าวยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นพระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าในบรรดาทิฏฐิเนี่ยนะสักยะทิฏฐิคือรายปุรุชนผู้ไม่มีการสดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นป้าริยะกว่ากันไปเลยตรงนี้ยยาวเลยตรงเนี้ย ไม่ได้ฟังพฤติกรรมของปริยะไม่ได้เห็นสัตว์ปรุษไม่ได้ฟังธรรมของสัตว์ประหต่างๆ่างอะเนี่ยย่อมเห็นรูปเป็น อ, อัตตาบ้างอันนี้คําว่าเรามาเปลี่ยนกระสอบว่าเห็นอัตตาให้เข้าใจนะคําว่าอัตตาคือเราเนี่ยนี่นะเห็นรูปว่าเป็นอัตตาบ้างเห็นอัตตามีรูปบ้างเห็นรูปในอัตตาบ้างเห็นอัตตาในรูปบ้างย่อมเห็นเวทนาว่าเป็นอัตตาบ้างเห็นอัตตามีที่มีเวทนาบ้างเห็นเวทนาในอัตตาแล้วก็เห็นอัตตาในเวทนา สัญญาสัญขารวิญญาณก็เนยะเดียวกันนี่แหละเนยะเดียวกันในพระบาเรีนี่นะในพระบาลีนี้พุทธพุทธพุทธดำรัสที่บอกว่าเห็นรูปว่าเป็นอัตตาหมายถึงว่ายึดมั่นอะไรยึดมั่นรูปนั่นแหละว่าเป็นอัตตาพระดํารัสว่าเห็นอัตตาที่มีรูปก็หมายความว่ายึดมั่นว่าอัตตาของเรา่เป็นรูปพระดํารัสของพระเจ้าที่บอกว่าเห็นรูปในอัตตาบ้านก็หมายความว่ายึดมั่นรูปดํารงอยู่ใน โดยอาศัยอัตตาหรือพระดำรัสที่บอกอัตตาในรูปบ้านก็หมายความว่ายึดมั่นว่าอัตตาดํารงอยู่โดยอาศัยรูปถามว่ายึดมั่นอย่างไรอ่ะยึดมั่นอย่างไรเมื่อพูดถึงรูปประกายคือปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอาโปธาตุเนี่ยนะเมื่อพูดถึงรูปประกายกว่าวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวเบา ชื่อว่าเห็นลูกคือปฏิวีธาตุเนี่ยเป็นอาาัตราใช่ไหมไอ้หนักหรือเบาเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าวันไหนปฏิวีธาตุมากเนาะวันนั้นตัวก็หนักวันไหนปฏิวีธาตุนี่น้อยใช่ไหมวันนั้นก็ตัวก็เบาถ้าพูดถึงสภาวะธรรมอื่นหรืออัตราที่ค้นจากสภาวะธรรมบอกว่าวันนี้กายของเราหนักหรือกายของเราเบา นี่ก็เห็นอัตตาว่ามีปัจวีด้เมื่อพูดว่าวันนี้ความหนักเกิดในตัวเราหรือความเบาเนี่ยเกิดในตัวเรานี่ชื่อว่าอะไรเห็นปัจวีธาตุในอัตตาเมื่อพูดว่าวันนี้เราตั้งอยู่ในความหนักวันนี้เราตั้งอยู่ในความเบา น, นี้เห็นอัตตาในปัจวีธาตุนี่คือความเป็นไปของสักกยทิติที่เวียนมาสี่รอบในปัจวีธาตุรวมยี่สิบเจ็ดก็มาไล่ไปอย่างเนี้ย โ, โหยากเลยเดีนี้อ้าใครพูแม้วันนี้ยวันนี้เราตัวหนักโอ้โให้วันนี้เราเราเราตัวหนักนี่นะบอกโอ้โหรู้สึกจะลุกจะอะไรต่างๆยากตอนป่วยเนี่ยอืมวันนี้เราตัวหนักนตัวหนักอันนี้เห็นรูปเป็นอะไรเออเห็เหนรูปเนี่ยนะ เห็นปัทวีธาตุเนี่ยเป็นเราไปซะแล้วใช่ไหมแท้จริงฮะไอตัวหนักตัวหนักหรือตัวเบานี่เราไปเห็นปัทวีธาตุเป็นตัวเราโอ้วันนี้วันนี้เดินคล่องเลยเนี่ยทำไมรู้สึกวันนี้ตัวเบาดี่จังหวะงั้นไปเห็นปัทวีธาตุเป็นเราแล้วเนี่ยตอนนั้นแท้จริงหนักหรือเบาไม่ใช่เราใช่ไหมนี่เป็นปัทวีธาตุโอวันวันนี้ปัทวีธาตุเนี่ยรู้สึกจะคล่องดีมันเบาอ่ะ อ่าเป็นบ่อยไหมแบบนี้จนจากตัวเบาเนี่ยอ่าเห็นอย่างนี้มั้ยชีวิตจริงๆไงเป็นอย่างนี้มั้ยอย่างนี้เข้าใจไม่ยากใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองลองลองดูดิทุก มันจะมีมีคําว่าเอเราตัวหนักเราตัวเบาตลอดเนี่ยเเราเราตัวเนี่ยเราได้คืออัตย์เนี่ยไอตัวหนักไอที่ยิงไอตัวที่หนักไอปรฏิวิธิมันหนักความรู้สึกของเราไปไอความรู้สึกนั้นน่ะนะจิตที่เข้าไปยึดเนี่ยจิตที่เข้าไปยึดว่าหนักหรือเบานั่นแหะไอจิตนั้นเป็นอัตยานั่นเนี่ยอัตยานั่นคือตัวมิจฉาทิถีเนี่ยไอตัวอัตยาตัวนั้นเนี่ยไอเราตัวนั้นคือตัวมิจฉาทิถีไปเข้าใจว่ามีเราอยู่ นี่เขาท่อไปยืดเลยโอ้หนักจังวันนี้เราหนักวันนี้เราเหนื่อยด้วยเป็นอะไรเนี่ยเหนื่อยมันก็หนักนั่นหละเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเขาต้องบอกว่าวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวเบ า, น, น, เ า, เบานี่ชื่อว่าเห็นรูปไม่ไปเห็นเห็นปฏิวิททธาดไงที่จริงก็คือไปเห็นรูปนะคือปฏิวิททธาดเนะี่ยเป็นอาตาัตราไปซะแล้ว ใช่ไหมแต่ที่จริงมันคือเป็นประตูอิทธาถ้าพูดถึงสภาวัฒน์อื่นหรืออัตราที่พ้นจัดสภาว่วันเนี้ยกายของเราหนะักอันนี้หมายถึงไปไปพูดถึงสภาวัฒน์อื่นแล้วเนะี้ยกายของเรานะ่ะหรืออัตราที่พ้นจากสภาวัฒน์บอกว่าวันนี้กายของเรานะ่ะหรือกายของเราเบากายนี่ กายหนักกายเบาเนี่ยไปเห็นอัตตาใช่ไหม <_ an> เห็นอัตตาไปไปเข้าใจบอกว่าโอ้ไอตัวหนักจริงๆเนี่ยมันมันไม่ใช่กายเนาะแท้จริงไอตัวอัตตาทัางหาเป็นผู้ <_ an> เป็นผู้เป็นหนักเป็นผู้ไปแบกเนะ่ยเป็นผู้ไปแบกเราจะทนไม่ไหวเลย ก็เป็นะเราจะทนไม่ไวแล้ัดตาจะทำยังเนี๋ยวเปล่อยที่เชื่อไยมพูดไปพูดมาเชื่อไหมเดี๋ยวเขวางหนังสือก็เดี๋ยวไม่เข้าใจเลยประหลาดแท้ไอ้ความเข้าใจตรงนี้เพราะอะไรอ่ะสัมมาทิฏฐิถ้ามันรีบเข้าใจเนี่ยเอาไารีบตีวงร้องบ่อยๆเนี่ยสัมมาทิฏฐิต้องมาทํากิตต้อมาต้องวิจัยบ่อยๆเอาวิจัยบ่อยๆ ที่เปิดทางให้มันแล้วตอนนี้เปิดทางสมมาทิฏฐิแล้วนะสัมมาวยามะก็เพียรเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะเข้าถึงสมาทิฏฐิตัี๋วนี้สมาสติก็เพียรระลึกเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะเข้าถึงสมาทิฏฐินี่สมมาทิฏฐิสัมมาวายมะสมาสติก็ไปแวดล้อมสมาทิฏฐิขยายวงของสมาทิฏฐิให้กว้างขึ้นตอนนี้เอาปฏิวิทค์มาวิจัยใช่ไหมต่อไปก็เอาโพธาต์มาเอาวายุธาต์มาเอาเตโชธาต์มา เราไปเขาอาจากักครคูประสาทมาโซต่าปรสาทคานาประาทจิวหาภระาทกายวิจัยไปเรื่อยกๆก็เรียกขยายวงของสมาธิทิพย์วิจัยละห้าสิบรอบอย่างละห้าสิบรอบไปนั่งวิจัยกันดินี่เือว่าไม่ต่อไม่ต่อยอดกันนี่ใช่ไหมถ้าอย่างนี้จะเข้าใจหมดเลยแหละนี่เราไม่ค่อยไปขยายผลเอาไปนั่งขยายผลี่เ อ, ออย่างเงี้ย ขยายไปขยายมาเมื่กลับมาบอกไม่รู้ไม่ไมรู้ทำไ ม, ไ, ไ, มได้เสี่ยงหายไปไหรู้มีใจได้สี่ข้อ ม, มามอีกแล้วกลับมากลับมาเรียนมาเพมันของเคยเรียนอยู่แล้วแต่ก่อนเคยเข้าใจแล้วแล้วมันก็มืดไปหลายอัตภาพแล้วแล้วก็กลับมานั่งเรียนของเก่ากันอยู่นี่แต่ก่อนเนี่ยจะละโสดาปฏิมาคือเกิดจะแทงตลอดได้อยู่แล้วไปทิ้งซะนี่แมน่าจะตายแคะ ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะโ ส, สดาปริมากจะได้อยู่แล้วเนี่ยจะ่ไมวิบัตนาญาณตรงสูงก็ดจ้องจะได้อยู่แล้วปรมารถไม่รู้ไปห่วงอะไรแล้วตอนนั้นทิ้งซะแล้วเลยตอนนี้ยไปเลยละหกละเหรินไปเลยนี่มานั่งเรียนกันใหม่ยังทำท่าง ง, งงๆอยู่เนี่ยทีนี้ใม่ไหมใช่ใชบรรยายนั่งบรรยายนี่มัเห็นยากเลยว่า้นก็คูณที่วะงั้กับปฏิวิทค์เนี่ยใช่ไหมหกไหมอย่างนี้ก็สี ใช่ไมอาตาัตราเด็กไปยึดมั่นมีอารมณ์สี่แล้วก็ไปคูณรูปยี่สิบแปดก็เป็นร้อยสิบสองก็แค่นี้แหละก็พิสดารก็ได้แล้วประมาณนี้ปวดแค่นั้นจบเบียดเสร็จผมบอกนักเรียนเบีดเสร็จตัวเองก็ไปนอน <c oughs> ไม่ได้ไปวิจัยอะไรหรอกนี่ก็ไปประมาทอย่างนี้ยเลยไม่ได้เห็นอะไรเลยง่ากลัวไม่ไรกันในตรงนี้นี่แหละก็เรียกว่าเมื่อพูดถึงสภาวะตามอื่นนะข้อนี้เข้าใจไหม หรืออัตราที่พ้นจากสภาวะธรรมบอกว่าวันนี้กายของเราหนักหรือกายของเราเบาเนี่ยอันนี้อันนี้ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรเราอะไรเรามีอะไรเรามีปตัตวีธาตุใช่ไหมกายของเราหนักเนี่ยกายของเราเบาเนี่ยนี่แปลว่าเรามีอะไรเนีออ่ยเรามีปตัตวีธาตุ เห็นไหมเรามีปัจวีธาตุข้อแรกคืออะไรตัวหนักวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวเบาชื่อว่าเห็นอะไรเห็นรูปเห็นไหมเห็นรูปว่าเป็นเออเห็นรูปคือเห็นปัจจวีธาตุนี่แหละว่าเป็นเป็นเป็นเราไปทีนี้พอข้อที่สองเนี่ยกายของเราหนะักกายของเราเบาอันนี้เอาทั้งหมดเลยเนาะเอากายทั้งหมดเลย อันนี้ชื่อว่าอัตราเนี่ยตัวเราเนี่ยมีปฏิวีทา์ไถ้าพวกเราวันนี้ความหนักเกิดในเราแหละหรือความเบาเกิดขึ้นในเราอ่ะนี่ก็จะเห็นอะไรเห็นปฏิวิทภ์ในเราใช่ไห ม, เ, มเพราะว่าหืมวันนี้อความหนักเนี่ยมันเกิดในเราเนี่แหละไอ้ตัวเราเลยไปแบบปฏิวิทภ์เขาไว้ มันก็เลยหนักใช่ไหเนี่ยความหนักเกิดในเรานี่แหละหรือความเบาเกิดในเราเนี่ยหรือนี่ชื่อว่าปฏิวิทาศนเนี่ยเห็นเห็นปฏิวิทาศน์ที่เกิดในเราเมาื่อพวันนี้เราตั้งอยู่ในความหนักเราตั้งอยู่ในความเบานี่เห็นอะไรเห็นอัตราไปอยู่ในในปฏิวิทาศนเลยเพราะเราเนี่ยไปตั้งอยู่เลย เราอยู่ไปตั้งอยู่ในความหนักเราไปตั้งอยู่ในความเบาเลยเนี่ยอันนี้เป็นความเป็นไปของสักยะทิฏฐิที่เวียนมาสี่รอบในปัตวีธาในรูปยี่สิบเจ็ดอย่างอื่นก็กล่าวตามสมควรนะเพราะทิฏฐิเป็นไปในอ น, นิจจารูปความไม่เที่ยงของรูปได้อีกด้วยเราจะตายเราจักตายเป็นต้นเนี่ยไม่ต้องกล่าวถึงรูปอื่นหรอก เอเราจะตายมั้ยเราจะตายนี่ไปไปเข้าใจยังไงดีถ้าเราจะตายอตาตาเนี่ยแหละมันจะตายอ่ะตาเนี่ยแหละตัวเราเนี่แหละมันจะตายซะแล้วใช่มหมเพราะไปดูไอ่เนี่ยเพราะไปไปสําคัญผิดแล้วเราจะตายอันนี้จะตาย อตาตาจะตายแล้วขึ้นเราอ่ะก็ขนาดบางทีไปยึดมั่นในอื่นเนี่ยนะยึดมั่นรูปรูปไปไปยึดมั่นปทัทมีธาตุอาโปเตชวาโยธาตุอื่นเราไปเบอกว่าแล้วไปสําคัญว่านั่นอ่ะปะทัทมีไออาโปเตชวาโยเป็นเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นเป็นญาติเราใช่ไหมเราเป็นเป็นพี่เราเราก็บอกว่าพี่เราตาย ไปสำคัญปะตะวีธาตุเป็นพี่ว่านี่อันนี้ไปใหญ่เลยเนะสําคัญปะตะวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาเป็นพี่ถ้า พ, พี่เราตายนะเพราะพี่เราตายบอกเราอยู่ไม่ได้แล้วนั่งซดเลยยัดคิดออกไหมเนี่ยแท้จริงแล้ยเราไปยึดมั่นปะตะวีธาตนะุนี่ยว่าเป็นพี่แล้ววันนี้พี่เราตัวหนัก วันนี้พี่เราตัวเบาโอ้หไปยึดมั่นภายนอกได้ไหมได้ไดนะเนาะอ้าไปยึดมั่นเสื้อแหะโหนะยึดมั่นเสื้อไม่เสื้อเสื้อนี้หนักเสื้อนี้เบานะ ไ, ได้ไหมได้แค่ยิงปฐวีท่ามันทำไม่หนัก มันซื้อที่ไหนล่ะสมมติอย่างเงี้ยมันป็นมันไปเยอะเลยเนะเนี้ยเอาอะไดีแต่นี้ยใช่ไหมแล้วก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันมีสีไหมโอ้สีของดินน้ําไฟลมไปเข้าใจว่ามันเป็นสีดํามันมีที่ไหนแล้วสีแกไสีต่างๆแล้วเราไปกําหนดสีเองใครเป็นคนกําหนดสีดําสีขาวสีเขียวเลยใช่ไหม เราไปกําหนดเองแล้วเนี่ยมันไปต้องการประตูวีท่าเป็นสี <c oughs> โหไปเลยเลยเนีย่นี่ศาตร์โลกวิปลิตมนสิกานไหมโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นั่นศาตร์โลกที่ศาสตรที่ตัดสรุปไม่ได้ว่าวิปลิตมนัิการตรงนี้กันเนอาละเราจะไปคุยกับใครรู้เรื่องมั้ย รู้ไม่ใช่รู้เขาไม่หลงบัญญตัติใช่ไหมเขาไม่หลงในปรมัมมัชเขามีความเข้าใจในปรมัมมัชและบัญญัติเป็นอย่างดีแล้วก็เข้าใจสมมุติของชาวโลกและสมมุติที่จะต้องใช้แล้วก็ไม่ยึดมั่นในสมมุติอันนั้นแล้วก็เข้าใจความเป็นจริงของเขาาว่ามันคืออะไรเนี่เขาเรียนวิจัยกันอย่างนี้แหละเวลาศึกษาพระวิธีธรรมก็ต้องไปนั่งวิจัยแบบนี้นะถ้าไปวิจัยอย่างนี้แปลว่ามไม่เข้าใจสภาว่ของปรัมมัชจะทำใช่ไหมแล้วก็ไม่เข้าใจบัญญัติครับ อภิธรรมไม่ใช่สอนแต่ปรามาสอย่างเดียวมีหมวดว่าด้วยบัญญัติด้วยเพือจะได้ใช้บัญญัติได้ถูกว่านี้เป็นวิชามน์บัญญัติหรือเป็นอวิชามน์บัญญัติเป็นต้นเหล่าเนี้นะจะได้ไปเข้าใจแล้วอัธยาของบัญญัติเหล่านั้นหมายถึงอะไรไงยนะอันนี้บัญญัติในเรื่องของปัจุีธาตุอาโปธาติโชธาตุวาโยธาต์ถ้าอย่าไปเข้าใจบัญญัติผิดให้เข้าใจว่านี่คือคือสภาวะเขาเป็นอย่างเนี้ยใช่ไหม อันมันเกิดจากกรรมจากจิ ต, จ า, ตจากอุตูจอกอาหารั้งรู้ชัดเหตปัจจัยเราด้วยใช่ั้มถ้าบอกว่าวันนี้เราตัวหนักเนี่ยเรายึดมั่นปัตตวีธาตุใช่ไหมปัตตวีธาตุว่าเป็นเราเนี่ยนะปัตวีธาตุที่อยู่ที่เป็นอว่าต้องบอกว่ายึดมั่นส่วนไหนส่วนที่เกิดจากกรรมส่วนที่เกิดจากจิตส่วนที่เกิดจากอุตูส่วนที่เกิดจากอาหารให้ ม, มันชัดตรงนั้นเออรวม ๆ, Lord, ๆกันใช่ไหมรวมๆกันแล้วก็อ๋อรวมๆกัน เมื่อรวมๆกนันเสร็จสิ้นนี้แล้วก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะปะทัทวีธาตุบางอย่างก็เกิดจากกรรมเป็นปัจจัยบางอย่างก็เกิดจากจิตบางอย่างก็เกิดจากอุตตุบางอย่างก็เกิดจากอาหารเป็นปจัจจัยแต่เราก็ไปสําคัญว่าปทัทวีธาตุเหล่านั้นนั่นแหละเป็นเป็นเราเลยใช่ไหมแล้วก็เลยสําคัญแหมวันนี้วันนี้กินอาหารมากหน่อยตัวหนักใช่ไหม สรุปก็คือวันนี้อวี่โพกระูแปดเนี่ยเห็นไหมดินน้ำไฟลมสีกิ่นรถโอชาธาตใช่ั้ยสรุปก็คือตัวที่เราจะต้องการให้ไปหล่อเลี้ยงร่างกายจริงๆก็คือตัวอาหารรูปแต่อาหารรูปอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยดินน้ำไฟลมเป็นตัวตั้งเป็นที่อาศัยเพราะตัวอาหารรูปเนี่ยเป็น เป็นอุปาทยายรูปเป็นรูปอาศัยนั้นเราก็กินดินเข้าไปนั่นแหละกินปฐวีธาตุเข้าไปใช่ไหมพอกินมากๆมันกันนักโอ้วันนี้กินดินมากหนักเป็น <laughs> ปฐวีธาตุ <laughs> อย่างเงี้ยมันก็ก็ก็กกค่อยๆวิจัยเจาะไปเขาเขาเจาะอย่างนี้ออนนะถามว่าถ้าไปเจริญวิปัสนามีโอกาสเจออาะแบบนี้ ถ้าไม่วิจัยอย่างนี้มันก็ไม่ไม่เข้าใจหรอกใช่ไหมเขาก็ไปวิจัยอย่างนี้แหละสุดตาตัวนี้แหละที่มันจะเป็นปัจจัยแก่จินตาแล้วก็ภาวนามจะชัดนั้นต้องสุดตามันต้องชัดก่อนมันต้องเข้าใจในฐานะของสุดตานี่ก่อนถ้างนั้นภาวนามายะปัญญามันจะเกิดได้อย่างไร่ะมันเกิดไม่ได้หรอกมันไม่ใช่โดนบันดาลพุดๆๆไปนั่งเพงๆๆแล้วมันเข้าใจพรวดขึ้นมาเลยมันไม่มีสูตรนี้ไม่มีหรอกถ้าพระพุทธเจ้าได้ ถ้ประเจกก็ได้ถ้าอย่างเราไม่ได้ต้องวงเล็บขีดเพราะว่าเราไม่ได้วงเล็บด้วยเนยต้องขีดเขาว้านี่เราเป็นใครเนี่ยรู้ตัวก่อนก็เราจะห้ อ, อ, อ, อ, องก้องคำถามให้รู้ตัวก่อนเราไปนั่งคิดนะไปนั่งคิดนี่ยแต่ต้องฟังให้ดีก่อนเ น, นีถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีข้อมอูลไปนั่งคิดมั่วเลยทีนี้ใช่ไหมนี่ก็ทีนี้มันมันมันจะเกี่ยวกับในเรื่องของทั้งหมดเลยเราและของที่เนื่องกันใช่ไหม อัตรากับอัตรียนอัตราคือใช่ไหมเราอัตริยะของของเรามันมีอะไรบ้างอ่ะนาฬิกานี่ต่อไปก็จะเริ่มรู้ยึดมันโอ้นาฬิกาเรือนนี้หนักแต่สําคัญปัทวีธาตว่าเป็นนาฬิกานาฬิกาเรือนนี้เบาใช่ไหมสำคัญว่าปัทวีธาตานั้นเห็นนาฬิกา แต่จริงความหนักและความเบาเป็นชื่อของปอัทวีธาสำคัญนะในการนิร้อนในการนิเย็นไฟไหมทาดไฟไหมทัดไฟไหมอย่างเงี้ยแล้วเป็นสำคัญอะไรอีกโถ้ทาท น, น้ำสัมผัสไม่ได้ต้องรู้ดังใจอย่างเนะงี้ยนะถ้าทานลมก็คือตึงไหวนะบอกโอ้โหใส่ตึงดีอย่างเนี้ยนะ มีเป็นต้นโดยสรุปก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายก็สำคัญมหาผู้ใช่ไหมเขาเรียกว่าถ้าไปเชื่อมในสัพาสวะสวามวารสุตรใช่ไหมสัตว์ก็ไปเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของปฐวีใช่ไหมไม่เข้าใจคือสัตว์ไม่วิจไม่เข้าใจปฐวีไม่ใจไม่เข้าใจลักคณะปฐวีไม่เข้าใจสมมติ ป, ปฐวีไม่เข้าใจอารมณะปฐวีไม่เข้าใจศัสตร์สามบาละปฐวีใช่ไหม คือที่จริงปฐวีธาตุเนี่ยเขาแยกเป็นสี่ใ่แยกเป็นรากขณาดปฐวีกันนี่คือรากหนาแข็งและอ่อนถ้าสัดสัมบาระปฐวีก็บอกผมคนเรียบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ไหนี่เป็นสัสัมบาระองค์ประกอบปฐวีออารัมภะนะปฐวีก็ปฐวีกะสินไงที่ไปเสียงปฐวีกะสินสมมติปฐวีกัเนี่ยกดินหรือว่าระงต่างที่สมมติเันเหล็กเอยทองแดงว่ากันไปน่คือสมมติเท่านั้นแหละ เข้าใจใช่เนี่ยแค่ปาร์ตวียในสัตว์โลกก็วิจัยกันไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นอ้าวใครใครพอจะมองเห็นไหมยากไหมถ้าถ้าถ้าไล่ไล่แบบนี้ยากไหม เออมันมันจะเป็นอย่างนั้นไงเนี่ยตรงนี้ดูมันเข้าใจไงบางทีแต่พอเดินออกอ่างนี้ไปข้ามาทิ้งตรงนีนต้ตรงนี้ต้อ ง, องระงไม่รับไม่รับความม้าใจทิ้งไว้คืนนี้พิจนาเวลาแบบขาเรียกถามพระอาจารย์ดีไตรงนี้ก็คือว่าคือคืนนี้ในส่วนของรูปประคันนี่ก็ เป็นเรื่องที่จะต้องวิจัยค่อนข้างเยอะหมดเลยรูปประคันเนี่ยท่านก็ไล่เลียงไปทําลําดับนี่นะเพราะรวบทุกลูกเนี่ยซึ่งก็วิจัยยากนะไม่ใช่ง่ายนะต้องค่อยๆว่ากับไล่เรียงไปเลยแหละเพราะเราไม่เคยเรียนแบบนี้เลยใช่ไหมไม่ต้องไม่เคยมานั่งวิจัยอย่างนี้แล้วมันในชีวิตจริงเลยอัถาตรงนี้ต้องปรากฏชัดในชีวิตจริงเนี่ยเพราะว่าบางทีมันยังไม่เข้าใจเด่นชัดเนี่ยมันยังเข้าใจแบบเบาๆมาก มันผิวเผินมากอันนั้นแปลว่าสุดตามันยังเบาอยู่เลยมันยังไม่ผ่านการไข้ควรในการที่จะจินตักจนชัดเจนขึ้นมาถ้ามันวุบขึ้นมาในใจชัดจริงๆเลยดิอันนี้อันนี้อันนี้ใช่แล้วความเข้าใจนั้นแล้วมันก็เด่นชัดเลยแล้วก็เคยผ่านการวิจัยมาหลายร้อยหลายพันรอบด้วยในปัจจุบันพบอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่ถ้ายังเข้าใจแบบเรลอยในกระดาษอยู่เนี่ย อันนี้ก็อันนี้ก็ก็น่าเป็นห่วงก็ไปวิจัยกันจรแต่เจ๊ใครที่เคยแคร์ควรผ่านการวิจัยมามา ก, มากๆเีจ๊ ก, ก็ก็จะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็ให้คิดอย่างนี้บอกว่าเหตุผลที่เรายังยึดเราลองไปมองดูดิเอาลองไปนั่งหรือมองสิ่งอื่นก่อนก็ได้หรือมองตัวเราก่อดก็ได้นะลองมาสําคัญมาพิจารณาดูผมคนเล่บฟันหนเออเอาอย่างงี้นะีในผมก็มีปะทวีธาตุเนะี่ย ้เราสําคัญว่าเป็นผมทั้งทั้งก็คือธาตุดินอย่างเงี้ยให้ธาตุดินเรเนี่ยเกิดจะกคำจากจิตสากอุตูจากกระหานี่ยในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นเราก็อยู่กับเข้ามาแต่เราไม่เคยวิจัยก็เลยซึ่งหนักไปกว่า น, นั้นก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราบางครั้งก็สมมติว่าเป็นน้องบางเป็นพี่บ้างเป็นพ่อบางเป็นแม่บ้างเป็นสามีบ้างเป็นภรรยารเป็นลูกไหมเป็นญาติสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือดินน้ำใบลมเนี่ย ไอ้ดินน้ำไฟลมต่างๆแบบนี้แล้วเราให้สังเกตที่ถ้าเรามองดินน้ำไฟลมอันน well yeah. ี้เราสึกหือเราประทับใจหลือเกินถ้ามองดินน้ำไฟลมนี้รู้สึกไม่ค่อยขัดเคืองเหลือเกินดินน้ำไฟลมที่สมมุติเป็นนี้รู้สึกเราเฉยๆดินน้ำไฟลมนี้รู้สึกว่าเราเรารู้สึกแหมดีมีความสุขอะไรเงี้ยนะมันจะต่างกันนะมองดินน้ำไฟลมกลุ่มนี้มันเฉยๆกลุ่มนี้รู้สึกสดชื่นอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะ นั้นคำว่าเราเนี่ยมันเข้าไปนั่นเกี่ยวข้องกับเราหมดเลยคือมันจะเห็นว่ายังหนาแน่นเลยใช่ไหมที่เรายังไม่ได้วิจัยอารมณ์เหล่านี้ยังอีกเยอะเลยอ่ะสรุปให้เห็นชัดตรงนี้ก็คือว่าสมมาทิฐิยังไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยแต่มิจฉาทิถีเขาทํางานมาอย่างยาวนานแล้วในสังสรรารวัตนี้ถามว่าตั้งแต่เราขอไปที่ว่าตั้งทันเนี่ย เราก็วิปลิตมนุษการตั้งแต่อยู่ในเด็กอยู่ในคันของเราท่านทั้งหลายได้ไหมดินน้ําไปลมที่มันกํนาลังเจริญเติบโตมาล้วก็สําคัญว่าเป็นรูปเป็นลูปเป็นลูปเป็นลูเปลเราท่องวันหนึ่งเป็นล้านครั้งนะและ้ว เ, เราเรียนรู้ด้วยมิจฉาทิฏฐิหมดเลยแล้วมันไม่ยึดได้ไงอตานอัตวาตุบาทานมันยึดหมดทุกจุดเลยแทบจะนับเส้นขนลูกได้เลยใช่ไหม ทั้งอาบน้ําให้ทั้งตัดผมทั้งป้อนข้าวทั้งอะไรตา่ตางๆเห็นก็หัวเราะ ก, ก็หัวเราะกับเขาเห็นเขาร้องไห้ก็ร้องไห้กับเขาเห็นก็สุกก็สุกกับเขาเห็นก็ทบกระทบกับมันแทาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปแนละ้วปัวีาธาตุับเราวันนี้ขนาดภายนอกเลยนะเอาปัทวีทาธาตุภายนอกเลยนะไม่ต้องเป็นปัทวีทาธาตุภายในวันนี้เราตัวหนักเราตัวเบาหรอวันนี้กาย ลูกเราหนักลูกเราเบาใช่ไหมเนี้ยแล้บางทีเราก็ไปยึดมั่นปฐวีธาตุของลูกบางครั้งก็ไปยึดมั่นอาโปธาตุของลูกบางครั้งก็ไปยึดมั่นเตโชธาตุของลูกบางทีก็ไปยึดมั่นวาโยธาตุของลูกบางทีก็ยึดมั่นจักรุประสาสตร์ของลูกโซตปปราศาสตรคานาปราศาสตร์ชิวหาประสาสตรกายประศาสตรใช่ไหมแล้วก็ชิวหาปราศาสบางทีก็ยึดมั่นไดเยอะหมดใช่ไหม สรุปก็คือเรายึดมั่นรูปยี่สบปดรูปยี่สิบเจ็ดของเขาและของเราไม่ต้องพูดถึงยึดมาอย่างยาวนานแล้นี้ทั้งๆที่มันเป็นกระแสของขัน ธ, าธนาะาอยะทนะแท้ๆแต่เราก็ไม่เคยเห็นด้วยความเป็นกระแสของขันธะาอยะทนะใช่ไหมเนี่ยมันมันเป็นอย่างเนี้นี่คือวิปริตมณสิการของสัตว์โลกเขาเรียกว่าสัญญาก็วิปลาสทิฏฐิก็วิปลาสจิตตกะก็วิปลาสใช่ไหมวิปลาสสามเนี่ยมันก็คูณกับสี่ เห็นว่างามเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าสุขเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยออกมาเยอะเลยอนี้เป็นสิบสองเลยไหมวิปลาสก็เลยมีสิบสองเลยนี่มันเชื่อมโยงกันอย่างนี้นั้นวิปริตมนาสิกามก็เกิดกษัตริย์แบบเนี้ยอันนี้ถ้ามองรูปนี่พองจะพองกร ะ, ะจายได้อใหาก่กว้างได้ใช่ไหมถ้าเจาะในรายละเอียดก็จะจะเริ่มเริ่มค่อยๆทะลุทะลวงไปนั้นก็เหมือนกับเราค่อยๆแทงไป ค่อยๆเจาะไปมุมนี้ไม่ได้ก็เจาะอีกมุมหนึ่งเจาะไปเรื่อยเนี่ยเราก็เข้าใจเพราะเราฟังก็ทําไปเสร็จก็ไปเจาะไปไข่ควรไปวิจารณาไปวิจัยให้มันชัดให้มันเด่นขึ้นมามันก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้นมาอ๋อเป็นอย่างนี้เองท่นพระธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นั้นลึกทีใช่ไหมพระศาสตรโรคนั้นไม่เคยคิดมุมนี้หรือคิดน้อยมากในปริมาณในสังสารวัตที่ผ่านมาเราได้แต่เรียนรู้เรื่องอื่นมันถึงชานาญเรื่องอื่นเยอะกว่าเรื่องนี้ นันนะเราก็มีความเข้าใจแล้วก็ถูกท้าทผมได้พบชักมันก็เคลื่อนคาดเคลื่อนไปแล้วก็กลับมาเจาะกันใหม่เนี่ยทีนี้พอจะเจาะมากๆก็ไม่ได้นะถึงหนักนนเนี่ยเนี่ยก็จะพูดเข้าไปจริงๆป้อป้อ้เขาไปลองดูที่อลองสมมุตินะมามาไม่พูดตัวอย่างคนอื่นประกอบแล้วไล่เข้าไปจริงๆเลยเนี่ยจะนั่งหน้าแดงตาดํากันบอกจักไม่เอาแล้วมันจะยอมแพ้อยู่เลยเลยเนี่ยใช่ไหม จะยอมแพ้โอไม่เอาแล้วถ้าเจาะเข้าไปมากกว่า น, นี้จะไม่เอานี่นี่ผ่านได้ยังโลกยี่สิต่อมาก็คือเวทนาเมื่อพูดว่าเราเคยบริโภคสิ่งนี้บริโภคอยู่ในวันนี้เราจับบริโภคในวันต่อไปเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์ชื่อว่าเวทนาเป็นเราหรือเวทนาเป็นอัตตาเป็นบ่อยไหมการบริโภคอาหารมันก็รู้สึกว่ามัน สุขมันทุกข์ขึ้นมาใช่ไหมกายของเราเป็นทุกข์กายของเราเป็นสุขวันนี้กายของเราเป็นสุขวันนี้กายกายของเราเป็นทุกข์หรือจิตของเราสุขจิตของเราทุกข์อันนี้ชื่อว่าเห็นอะไรเนี่ยอัตตาเห็นว่าเรานี่มีเวทนาไปหมดแล้ว เมื่อพูดว่าวันนี้ความสุขเกิดในตัวเราหรือความทุกข์เกิดขึ้นในตัวเราชื่อว่าเห็นเวทนาในอะไรในอัตตาหในเราวันนี้เราตั้งอยู่ในความสุขวันนี้เราตั้งอยู่ในความทุกข์นี่เห็นอัตตาในเวทนาใช่ไหตรงนี้ก็ไล่ไป ยากไม่เรื่องเวท น, นาเอาสิเวทนาเนี่ยยากเลยเอา้าบริโภคอาหารนี่ยังบริโภคแล้วเนาะแล้วจับบริโภคต่อไหมจับบริโภคไหมเพราะในกระดาษตอนบริโภคเราเป็นสุขไหมเ<อ>นื้เที่เราเป็นสุขใช่ไหมบริโภ<อ>คแล้วเหมือนมีมิความสุกโอ fe. เราเป็นสุกแล้วเกินอิม่มเลยถามว่าเราตัวนั้นเป็นอัตรา เราไปเข้าใจว่าอัตตาเป็นสุขไปเข้าใจว่าอัตตามันเป็นเวทนาเราเป็นเวทนาไปแล้วเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์ชื่อว่าเห็นเวทนาว่าเป็นเป็นเวทเวทนาเป็นเราไปแล้วใช่ไหมที่ไปเข้าใจว่าเวทนาเป็นเราสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็ดีที่มันเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารนั้นน่ะ สุกหรือทุกข์กันนะั้นอ่ะตัวสุกตัวทุกข์กันนะั้นมันใช่เราไหมมันตัวเวทนาแต่เราทําไมไปสําคัญว่าเราสุกเราทุกข์ใช่ไหมเชม่นยังไม่ได้กินอาหารมันทุกข์ใช่ไหมโอ้วันนี้ทุกข์เราทุกข์เหลือเกินเนี่ยไม่ได้กินอาหารเหมนกันไปเข้าใจว่าไอ้ตัวเวทนามันเป็นเป็นเราไปซะแล้วเป็นอัตตาไปซะแล้ว เป็นตัวเป็นตนไปเสรแล้วนี่เขาเรียกเข้าใจเวทนาว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ก็เราไปวิจัยเรื่องอื่นๆอยู่ทิเวลามีใครพูดชมโอ้โหเราสุขมากใช่ไหมไอ้ตัวเวทนามันทํามันได้ปัจจัยมันก็เกิดขึ้นพอหมดปัจจัยมันดับไหมมันดับเเราไปเข้าใจว่าเราสุขเพราะคําพูดคนนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ เราทกเพราะคนคนนี้แท้จริงเวทนาน่ยมันได้ปัจจัยมันได้อารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมันก็มันก็ทุกข์ได้อารมณ์ที่น่าพอใจมันก็มันก็สุขทั้งตัวเวทนาเองทั้งอารมณ์ที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเองมันก็มีเหตุปัจจัยข้งมันมาดังนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นใช่ไหมแต่ความสําคัญของสัตว์ไปเข้าใจว่าเวทนาน่ยมันเป็นเราไปแล้วอยู่ใช่ไหม ไปเข้าใจเวทนาเน่ยเป็นเราไปแล้ว <educ> มันก็ไปทุกเรื่องเลยแต่เนี่ยไปทุกเรื่องเลยบอกเข้าไปในรถขับรถเปิดแอร์ปุ๊บใครสบายเขาเวทนาบอกเขาเวทนาอะไรสปอใช่ไหมสุเขาเวทนาเขาเกิดก็ได้ปัจจัยได้เหตดปัจจัยได้อุตุที่เปนสบายะ เมกี้พูดไม่มีเรายัางมาเอาเราไปสะใช่ไหมมันเป็นชีวิตจริงไหมเนี่ยชีวิตจริงใช่ไหมแต่แต่ก็ไม่ได้ไปนั่งปรุงแต่งนา่นคิดกันแต่จริงๆตรงนี้แหละมิจฉาทิทถีมันก็ได้ปัจจัยเหล่านี้ยมันก็วิ่งกินอารมณ์เหล่าเนี้ยก็สําคัญผิดแล้วก็ทําให้สัตว์นั้ น, นยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ถูกเที่เนี่ยเบื้องต้นคือตัวนี้ ไอ้ น, นี่คือสัตว์โลกเป็นกันหมดเลยสัยกยะทิฏฐินี่เป็นทิฏฐิพื้นฐานของสัตว์เลยแล้วถ้ายังมีสัยกยะทิฏฐิตรงเนี้ยอยู่กรรมมันก็ให้ผลอยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสายล่อฟ้าเป็นสายล่อกรรมให้ที่จะปลิตวิบากให้ผลเลยเี่ยถอด ต, ตัวนี้ออกไม่ได้ตัวนี้ต้องใช้คีมคือโซดาปฏิมาคึงจะถอดไอ้ความเข้าใจตรงนี้ออกนะความสําคัญว่าเราต่างๆเนีลย อัตตาตัวนี้มันจะหายไปอัตตาอัตตะตัวนี้อัตตาตัวนี้แปลว่าเราใช่ไหมสําคัญว่าเราไอตัวเข้าไปสวยอารมณ์นั่นเลยไอตัวนี้มันไอตัวอัตตาเนี่ยเลยเป็นสำาัญไอตัวเวทนากับอัตตาเหมือนเดียวกันเลยทั้งที่เวทนาก็คือเวทนาขันเท่านั้นเองรูปขันก็คือรูปขันสัญญาขันก็คือสัญญาขันสังขารขันก็คือสังขารขันวิญญาณขันก็คือวิญญาณขันไม่ใช่อัตตา แตศาสตร์โรคไปวิปลิตมนติการไปเข้าใจเป็นอัตราไปหมดแล้วบางครั้งก็ไปเข้าใจตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ในอัตรานี่ยบางทีบางครั้งก็ไปเข้าใจอัตราอยู่ในเวทนาบางครั้งก็เข้าใจว่าอัตราตัวนี้แบกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไว้ใช่ไหมไปเข้าใจอย่างนั้นันก็เลยว่าบารเราสุขเราทุกข์มาเลยเราหนักเราเบาขึ้นมาแล้วทดี๋ยวเราตั้งอยู่อัตราไปตั้งอยู่นีน รูปในเวทนาในสัญญาในสังขารยังบางทีก็ไปเข้าใจพลิกกลับเลยไปเข้าใจรูปเวทนามันตั้งอยู่เนี่ยมบางทีเราก็ไปมันหาไม่เจอจริงๆนะไม่รู้จะไปแกะไปไปยังไงเพราะเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองมีเหตุประจัยมันเกิดนะหมดเหตุหมดใจตายจริงๆเนี่ยก็อย่างเงี้ยเปิดพัดลมเนี่ยตอนนี้เออเวทนายัางบอ่อยยืนทนอยูใช่ไหมลองปิดขึ้นมาทีใช่ไหม ก็คือก็คือตรงนี้ถ้าตามสูตรเขามีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าถ้าถ้าตรงนี้มันก็มีสูตรของเขาอยู่แล้วอาศัยตายและโลกเกิดจากกุญญาการประจุมของทํามการเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยเกเรนามันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมมันก็มาตามสูตรของเขาอยู่แล้วตรงนี้เวทนานมาจากปัจจัยไงมาจากภาษาไงแต่ปภาษาสายไหนล่ะสายทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจใช่ไหมถ้าสวารหูในที่พูดเนี้ยอ๋ี่เสียงเนี้ย อาศัยอะไรโสตภระสาทสัทธารลมโสตวิญญาณทำสามอย่างประชุมกันเป็นภาาัษาเวทนากเกิดถ้าเสียงนี้เราไปยึดมั่นว่าอย่างนี้ถูกใจก็สุขเวทนาถ้าไม่ถูกใจเป็นทุกขเวทนาถ้าฟังบ่อยๆเป็นอุเบกขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นอยู่แต่มันไม่หยุดแค่เวทนาเนะตัณหาตามมาอย่างไงนะแล้วทิศขิก็เข้าไปยึดเลยนะเพราะตัณหาเกิดไปยินดี หรือไม่ยินยินดีหรือไม่ยินดีต่างๆอะไรแต่ทิฏฐิก็ไปยึดอ๋อ oh, นี่เห็นไหมก็ไปยึดมั่นในเสียงก็ยึไปยึดมั่นในรูปซะอีกในกลิ่นในรสในสัมผัสซะอีกเห็นไหมมันมันมันเป็นอย่า ง, างนี้เวทนาเวทนาเนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าจึงมากล่าวในเรื่องของเวทนานุนปัสนาเลยสําคัญขนาดนั้นเนพราะเป็นช่องทางให้กษัตริย์นั้นบรรลุได้ด้วย เพราะมันชยยัดเลยมากเห็นไหมเทวดาทั้งหลายพระเจ้าจะสอนสายเวทนาโดยสนเพราะว่าเทวดาเหล่านั้นน่านนำมาทํท่านปรากฏค่อนข้างชัดกระทำโดยเฉพาะโทมนัสเวทนานี่โอ้ปรากฏชัดมากถามว่าพวกเราชัดไหมนะโทมนัสเนี่ยชัดปรากฏชัดกระสัลงนี่ลักษณะอย่างเนี้ก็คือว่าถามว่ามีไหมวันหนึ่งหนึ่งไม่มีเวทนาเกิดแล้วเกิดมากด้วยไหม เกิดมากแล้วความสําคัญถูกมากหรือความสําคัญผิดเกิดมากเห็ น, นไหมเราจะมีความสําคัญในเวรน า, าว่าเป็นเราเนี่ยจะมีความสําคัญอยู่ตลอดเวลาว่าบางทีเนี่ยไปสําคัญกายว่าเป็นสุขเป็นทุกข์บางทีก็เป็นสำคัญจิตว่าเป็นสุขเป็นทุกข์บางครั้งก็ไปสําคัญว่า เกี่ยในเรื่องของว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยนะเห็นเวทนาในตาก็ว่าวันนี้เราตั้งอยู่ในความสุขวันนี้เราตั้งอยู่ในความทุกข์นั้นชื่อว่าเห็นอัตตาในเวทนาใชเราเนี่ยตั้งอยู่ในความสุขและความทุกข์ถ้าเห็นบอกว่าความสุขความทุกข์ตั้งอยู่ในเรานี่เห็นยังไงเห็นอะไะความสุขความทุกข์ตั้งอยู่ในเราไปเห็น เห็นยังไงความสุขความทุกข์นี่ตั้งอยู่ในเราเนี่ยเห็นว่ายังไงวันนี้ความสุขเกิดในเราหรือความทุกข์เกิดในเราชื่อว่าเห็นอะไรเห็นเวทนาในในเราเห็นเวทนาในเราเห็นเวทนาในเราหรือเวทนาในอัตตาเนี่ยเห็นเวทนาในอัตตานี่ อัตตนี้ดีไหมเขาเรียกอัตตทิฏฐิทิฏฐิเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นเราเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะยากนะใช่ไหมยากแต่จริงๆก็ไม่ยากหรอกเพราะจริงๆเรามันเห็นอย่างนี้อยู่แล้วพอพูดตรงเนี้ยมันพูดตัวเขาแล้วเราก็เห็นแบบนี้จริงๆเราต้องยอมรับว่าเราเห็นแบบนี้ถ้าเห็นแบบนี้เขาเรียกสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ ยังมิจฉาทิฏฐิสรุปแล้วเราเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยสมบูรณ์สมบูรณ์แบบใช่ไหมแต่ตอนนี้เราต้องการจะเข้าใจเขาแล้วจะได้พยายามละเขาเอาอะไรไปเข้าใจเอาสมาธิทิฏฐิไปเข้าใจเอาอะไรไปพยายามละเอาสมาวิมารไปละเอาอะไรไประลึกในการที่ละเอาสติเข้าไประลึกในการละละก็ใช้สามตัวนี่แหละ ใช้สมาธิทิฏฐิสมาวิมะรสมาสติเพื่อจะไปแวดล้อมสมาธิฐิขยายวงของสมาธิให้มากขึ้นสมาธิิเจาะมุมไหนได้ก่อนเจาะมุมนั้นแล้วก็ขยายมุมของสมาธิฐให้กว้างขึ้นให้กว้างขึ้นเข้าใจใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้มิจฉาทิฏฐิมันพอจะเปิดช่องให้สมาธิฐิเข้าไปแทรกได้บ้างไหมเอามันแทรกตรงไหนไว้ได้แล้วก็ยึดพื้นที่ไว้ แปลว่าเรากินพื้นที่นี้ได้เช่นยกตัวอย่างเช่นปโตวีธาเนี่ยเช่นเวทนาขันเนี่ยเราพอจะรู้แล้วก็ก็ยึดยึดตัวปัญญาเนี่ยเขาไปยึดไว้ท่านเรียกยึดเหมือนกันนะอท่านเรียกยึดเหมือนกันนะตัวปัญญาบางอย่างแต่ยึดโดยฐานะไปเข้าใจเขาเรียกเหมือนกับการชิงพื้นที่ก็ว่าชิงความตรงนี้เราเข้าใจแล้วจะไม่โตเวทนาตรงเนี้ย ไอ้คำว่าเราสุขเราทุกข์เราตั้งอยู่ในสุขเราตั้งอยู่ในทุกข์ความสุขความทุกข์ไอ้ตั้งอยู่ในเราเนี่ยเริ่มจะเข้าใจตรงนี้แล้วเรากินอาหารเนี่ยนะเราบริโภคอาหารเราจะกินอาหารเราเคยกินอาหารแล้วเราเคยสุขเรากําลังสุขเราจักสุขเราจะทุกข์อะไก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับเวทนาใช่ไหมกับอัตตาเกิดไปสำคัญไอ้ตัวเวทนากับตัวอัตตาเนี่ยตัวเราเนี่ยกับเวทนาเนี่ยลองไปนั่งคิดดูทีไปนั่งวิจัยดูที่ตัวเวทนากับตัวเราเนี่ย <inate> ใช่ไหมมันมันจริงๆเราไปเข้าใจว่ามันมันคนละตัวกันบ้างหรือมันตัวเดียวกันบ้างอันนี้ทิฏฐิมันเข้าใจอย่างนี้นะบางทีไปเข้าใจตัวเวทนาใช่ไหมตัวเรากับตัวเวทนาคนละตัวใช่ไหมไปเข้าใจอย่างเนี้ยใช่ไหมใช่เราโดยมากเราเข้าใจอย่างนี้ไหมนะใช่เราไปเข้าใจอย่างนั้นบางทีเราไปบางครั้งเราไปเข้าใจเป็นอันเดียวกันเลยบางทีเราก็แยกได้ด้วย แต่ก็ยังสําคัญว่ามีอัตตาอยู่นั่นแหละมีอัตตาอยู่นั่นแหละเช่นถ้าถามบอกว่าพอเวทันพอสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยต้องถามลึกๆดูดิเราจะบอกว่าเราสุขไหมเราสุขใช่ไหมใจเนี้ยเราจะต้องพิเจอนาอเวทนาเพื่อให้อัตตาเนี่ยมันจะไหลเยใช่ไหมไม่ใช่เอาอัตาตาไปตั้งนะเขาเนี่ยคือเขาได้สื่องานไ คือไม่ใช่เราหยิบตัวอัตตาออกมาแล้วก็มาดูืจิงๆเราต้องวิจัยเวทนาหรือวิจัยปฏิวิทธาหรือวิจัยรูปวิใจัยให้สองแท้แล้วเราก็จะไม่มีอัตตาในตัวเวทนาไม่มีในตัวลูกจริงๆเราต้องหยิบตัวสภาวะรามขึ้นมาตั้งในวิเจรารณาไม่ใช่เอาตัวอัตาขึ้นมาตั้งนะครับ <removed> ครั้งแรกไม่เข้าใจอยนนี้เอาตัวาตาขึ้นมาตั้งก็เลยไปต่อไม่ถูกนะครับก็เพราะถ้าเราตัวอัตาตั้งว่าเรา แล้วก so ็ที่ไปหาตัวโตเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันก็ไม่มีเราอะใช่ใเราไม่จริงจริงเราต้องเราต้องเอาตัวต้องต้องต้องมานักสิการอย่างนี้บอกว่าคําว่าเราไม่มีอยู่จริงใช่ไหมแต่เป็นคําพูดเพื่อตั้งฐานเพื่อให้การสื่อความหมายกันเข้าใจเช่นเออแม้วันนี้เราไปเรียนหนังสือมา ใช่ไหมคำว่าเรานี่เป็นบัญญัติขึ้นมาแต่ตัวมิจฉาทิฏฐิก็มาหล่อหลอมเราซะจนเป็นตัวขึ้นมาจนได้เลยใช่ไหมเมื่อหล่อหลอมจนแน่นหมดแล้วว่ามันมีอยู่จริงๆเนี่ยอัตตาตัวเนี้ยแล้วมันยังไม่ได้กระจายเลยตัวเนี้ยเขาจึงบอกว่าสัมมาทิฏฐิเอามิจฉาทิฏฐิมาวิจัยเอาตัวมิจฉาทิฏฐิมาวิจัยเลย ว่าวิจัยแบบไหนลักษณะรักษปปาปัจจุบันมาตรฐานของมิจฉาทิถีไปดูที่ตัวมิจฉาทิถีเนี่ยมีลักษณะอย่างไรลองไปไปไข่ควรดูที่ไปพิจารณาไปตรวจสอบดูที่มิจฉาทิถีเป็นยังไงแล้วมิจฉาทิถีเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมแล้วก็วิจัยอย่างเงี้ยให้สังเกตดูในชั้นของเอ๊เด่านยี่ิบสองอะ เขาบอกว่า <c oughs> วิจัยโดยโดยอารมณ์อ่ะวิจัยโดยอารมณ์ก็คือวิจัยโดยความไม่หลงอ่ะคือก็พูดถึงในด้านของตัวมิจฉาทิฐิไอ้มิจฉาทิฐิเนี่ยมันได้แก่ความเห็นที่ไม่ความเห็นไม่ใช่ตามความเป็นจริงเห็นที่คลาดเคลื่อน เพรเชื่อมั่นอย่างพิดว่าสิ่งนั้นตท่านั้นจริงสิ่งนี้เปล่าทิฏฐีเนี่ยตรงกันข้ามกับปัญญาปัญญานั้นคือรู้สภาวะธรรมตามความเปจริงใช่ไหมแต่ทิฏฐินั้นน่ะละสภาวะธรรม ท, ที่ที่เป็นจริงก็มายึดในสภาพที่มันไม่จริงใช่ไหมใช่ใช่ไปยึด เพราะสะภาพของไอตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขาละสะภาพที่เป็นจริงแล้วก็กลับไปยึดเอาโดยสภาพที่มันไม่มีอยู่จริงว่าเป็นจริงไอมิจฉาทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้นเขาถึงบอกว่าอโยนิโศอภินิเวสารักขณามีความยึดมั่นโดยหาปัญญาไม่ได้เป็นลักษณะแล้วแต่คนมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขายึดมั่นไปยึดมั่นอะไรดียึดมั่นรูป ยึดมั่นเวทนายึดมั่นสัญญายึดมั่นสังขารยึดมั่นวิญญาณยึดมั่นรูปยังไงเช่นยึดมั่นปฐวีธาตุว่าเป็นเราเห็นไหมและคําว่าปรมาสารามีความถือผิดจากสภาวธรรมอเขาจะถือผิดทัน ท, ท, ทีเขาถือผิดว่ามันไปสําคัญว่ามันมีอยู่จริง หมคําว่าเรามันมีอยู่จริงเช่นคําว่าเราหนักเราเบามันมีอยู่จริงความหนักอยู่ในเราความเบาอยู่ในเรานมันมีอยู่จริงหรือเราอยู่ในความหนักเราอยู่ในความเบามันมีอยู่จริงอย่างนี้นะไปสําคัญอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวมิชชัทิฐิเขาเรียกว่าไปเห็นผิดจากสภาวธรรมเขามีหน้าที่อย่างเดียวทําความเห็นผิดให้เกิดขึ้น หน้าที่ของเขาไม่ได้มีอย่างอื่นเขามีหน้าที่ทํำยังไงหเห็นผิดถ้าลักษณะของเขาก็คือว่ายึดที่ขาดปัญญาเป็นลักษณะเขาเหมือนปัญญาไม่เหมือนแต่เขาไปยึดเห็นอะไรก็ยึดหมดแต่เขายึดแบบขาดปัญญาเนี่ยเขาจึงเป็นอภินิเวศแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผลปรากฏเป็นยังไงมีการยึดถือ มีการยึดถือความเห็นที่ผิดนี่ชัดแล้วเช่นยึดถืออะไรเห็นผิดชัดๆก็คือว่าผมเราขนเราเล็บเราฟันหนัง เ, เป็นเป็นเราเลยมันถือผิดไหมนะ่ะมันถือผิดเลยแล้วก็ท่านบอกว่าอาริยายางอัฏฐานะกามตาอัตถตา ไม่ปราถนาเห็นพะ ร, ร, ะน ร, ะระอริยะไม่ปราถนาฟังพระธรรมหลวงพระริยะวิชาที่ดีไม่เอาไม่ปราถนาจะฟังไม่ปราถนาจะเห็นเขาไม่ปราถนาเนี่ยเขาไม่ปราถนาหรอกเขาไม่ปราถนาที่นี่ทุกวันให้ตั้งเกต ด, ดูนะว่าขนาดเรามาฟังอย่างเนี้ยบางทีมันดิ้นล้นมากนะม อย่าแปลกใจนะเวลาเราหยุดฟังแล้วเราไปเราไ ป, าไปลองไปคุยเรื่องอื่นดินโล่งเบามันจะรู้สึกมัน ส, สะดวกใจขึ้นมาเยอะแล้วไม่ค่อยน่าอึดอัดหรอกนี่แปบลบเข้าใจอยังศาสตร์โลกมันอยู่กับมิชาั่นทีทีแล้วไปบอกเขาตรงๆไม่ได้ว่าจะโกรธเรานี่เรามาคุยกันแบบนี้ก็เออถือว่าจะมามันเป็นอย่างนี้อาการมันจะดิ้นรนมากเวลาจะไปเรียนแบบให้อาหารมั น, ม, นมันอยากเรียนเนะี่ย เช่นเรียนน้องสนุกสนานกันไปวันวันเนี่ยชอบเพราะอย่างนั้นเราเรียนแล้วเขาไม่เดือดร้อนเพราะเรียนแล้วไม่ได้กระจายตัวเขานี่แต่ถ้าไปจะกระจายหรือจะไปเล่นตำแหน่งของเขาจะไปเล่นงานเขาเนี่ยเขาเดือดร้อนมากเขาจะบอกว่ากิดมากพุลามากขึ้นมาเลยเขาไม่เอารองเขาย้ำยันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เขาไม่ปรายสนาจะเห็นเขาไม่ปรายสนาจะฟัง และไม่ปรานสนาจะรู้เรื่องรู้เรื่องอะไรถามว่ามิจฉาทิถีเขาโง่ไหมฉะนั้นถ้าหากว่าไปเรียนเรื่องอาวุธที่จะไปทําลายเขาเนี่ยเขาอยากเรียนไหมเขาไม่อยากเรียนหรอกคำสอนพระเจ้าเขาใช่ไหมอาวุธที่กลับไปทําลายเขาอ่ะเขาไม่อยากเรียนฉะนเั้นก็หาอุบายอย่างตลอดเวลาให้ก็หาอุบายตลอดเวลาเขาเดือดร้อนมาก เวรามาพูดเรื่องแบบนี้แต่เขาก็เขาก็รู้จากเราอยู่แล้วมันต้มท่ากันอย่างบบนี้เลยเข้าจใจไหมมันเดือดร้อนมากเด็ไวิชาที่ดีเพราะมาเรียนเรื่องที่จะไปเล่นงานเขาเขามานั่งทนฟังไหวไหมเขายังกัโดนน้ำมนเลย ถ้าเห็นคนผีเข้าไหมแล้วก็โดนน้ํามนต์ไหมมันดิ้นไหมดิ้นเลยแล้วมันไม่อยากออกมันอยากยึดอยู่อย่างเงี้ยนี่เหมือนการวิปัสสนาเนี่ยเขกลัวมากเหมือนกับน้ํามนต์ไล่ผีเลยวิปัสสนาเนี่ยเขาเขาก็ชอบงั้นยิงน่งจะมีปัญญามาเจาะฐานก็อย่างนี้แปลว่านี่เนี่ยคนยากจะรู้เรามากแล้ว น, นะเพระงั้น เขาไม่ค่อยยอมหรอกคนคนนี้จะจะรู้เขามากแล้วรู้แม้รักษาหนาลักษณะประจุประทานประทัถามของเขานี่แปลว่าคุณรู้หนักไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมอ่ะถ้าอย่างนี้รู้รู้ถือว่ารู้มากไปเนี่ยไม่ดีทิฏฐิไม่ชอบแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็ทําให้เราลืมใช่ไหมทาให้เราไปยึดอย่างอื่นอีกต่อตรงนี้ก็ถึงบอกว่า สัมมาทิฏฐิไม่ใช่ไม่ดีสมมาวยามารสมาสติไม่ใช่เขาไม่ดีไม่ใช่เขาไม่แข็งแรงก็แข็งแรงก็ดีมากแต่เขาขาดปัจจัยเขาขาดอาหารสามตัวเนี่ยลองทําให้แข็งแรงดยเลยออุ้ยกระจูยหมดแรงวิจัยทิฏฐิเนี่ยไม่มีรอดหรอกแต่ทําสัมมาทิฏฐิสมมาวยามารสมาสติเนี่ยเอาไปล้อมสัมมาทิฏฐิเขาไว้ขยายวงของสัมมาทิฏฐิมากๆแล้วก็วิจัยไปเรื่อยๆถ้าสัมมาทิฏฐิสมมาวิมารสมมาสติแข็งแรงเมื่อไหร่เนี่ย เข้าใจอย่างเนี้ยทีนี้ถามว่าเราจะทํายังไงใช่ไงเราจะทํำยังไงกรณีอย่างนี้เราลองยกตัวอย่างหนึ่งที่ว่าเรารู้ว่าอายนิโสอภินิเวศรคานาเนี่ยมีการยึดมั่นด้วยหาปัญญาไม่ได้เป็นลักษณะคือตัวทิศถี่มีสภาพที่ละสภาพที่เป็นจริงแล้วก็กลับไปยึดโดยสภาพที่ไม่เป็นจริงฉะนั้นของอะไรที่เป็นสภาพที่เป็นจริงเนี่ยเขาจะ ละสิ่งนั้นแล้วก็จะไปยึดในสภาวะที่ไม่เป็นจริงใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นว่ารูปเวทนาตัญญาสังายาวิญญาณเนี่ยถ้าความจริงของเขาก็คือเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่เขาละเขาระสภาวะธรรมนั้นทิ้งเลยแล้วเขาไปยึดใหม่เขาไปยึดยังไงว่าเป็นเราเลยไปยึดว่ารูปนี้เป็นเราไปเลย หรือยึดยึดถ้ารูปเป็นเราอย่างเดียวไม่พอเนี่ยเราเราอยู่ในรูปก็อีกเอารูปอยู่ในเราเข้ามาอีกไงอย่างเงี้ยยึดจะแยะ่ยยหมดเลยแต่เนี้ยคือว่าอารมณ์ทุกอารมณ์มุมทุกมุมเนี่ยเขายึดไปหมดสมมติว่าเออเนี่ยยกตัวอย่างเช่นไปละได้ละอะไรไยกตัวอย่างเช่นว่าในปะเต่ะ ไปไปล่าในส่วนของในรูปดีกว่านะในในรูปประหันที่บอกเรามีรูปเนี่ยเข้าใจว่ารูปรูปกับร่างกายเป็นคนละอันเออเไม่ใช่รูปรูปรูปเป็นเราเราเป็นรูปไปเข้าใจว่ารูปนี่นะเข้าใจรูปนี้เนะว่าปฏิวีทาศน์ว่างั้นเถอะเข้าใจว่าปฏิวีทาศนเป็นนเดียวกับเรา พอไปเข้าใจอย่านินเออจะไปพูดถึงปทัทวีธาตุก็พูดถึงเราใช่ไหมก็คือเราไอเราคือปทัทวีธาตุนั่นเดียวกันนี่แหละงั้นถ้าถ้าปทัทวีธาตุยู่มีอยู่ในผมใช่ไหมถ้าใครถอนผมเราก็ชื่อว่าถอนเราด้วยใช่ไหมถ้าใครตัดผมเราก็ชื่อตัดเราไปด้วยอย่างเงี้ยนะเคยเห็นบงคลเขาบอกว่าเขา เขาจะทิ้งกันนะเขาเขาไปตัดผมก็เห็นเลยนะเขาไม่ตัดผมเขาบอกถือว่าเป็นเป็นนี้หมายว่าตัดกันทิ้งแล้วว่าตัดขาดแล้วคือตัดหมอคุยอะไรมาฟังกงวันนี้เขาเขาเขาตัดผมมาเยังไม่หมดต้องโค่นตัดจริงตัดจริงต้องโกรนนะถ้าอย่างนี้แล้วแล้วคนเราตีดเชื่อนมีพระใหม่ เราเาจะสืกน่างกให้ท hey, ําน่อยแม่ให้เาสึกดีที่ท่านโกรธผมทีそうそう่มาทำไมี่โกหน้ายเขดีากใหผมยาวๆไม่ออกไปก็ดีลวิดอยู่แ่ยวของอยู่ในบ้านเขาเอามาออกไปข้างนอกโกรธแก่นี้เขาเขาเขาเชื่อแล้วเขาโกนเนี่พรากรจะส้งไม่ออกไม่ได้ตอนนี้หน้าอายก็อยู่โดยดีาไหากนี่ผลลเรื่ความที่เขากลัวว่าจะโชคร้าย ม <c ười> ันต้องคัญขนาดนั้นโดยเฉพาที่ทีเนี่ยนะบอกโอ้โหบางคนนีึกขนาดนนลอ ง, งบอกเลยก่อนจะออกจากวัดถอยหลังสามเก้าเข <c ười> าก็จะต้องทํำพิธีนี่แหละมัหลงกันาะนั้นเลยใช่ไหมความยึดมัน่นมันเต็มไปหมดเลยยึดมั่นเต็มไปหมดนั้นตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ได้ได้ความแล้วนะตรงเนี้นะ ได้ความในกรณีนี้จริงๆยังหลายๆท่านก็ยังงงอยู่เนี่ยงงไหมลองแสดงทัศนะหน่อยงงไหมงงไหมมั้งใครจะอธิบายหน่อยเอาเวทนาเนี่ยยังไอธิบายเวทนายังมีรองอธิบายอาเวทนายกตัวอย่างสักอ่า ก็เราเราปวดหัวเนี่ยก็คือนสีเดียวกันต่ตัวเราแลวมจะกินตัวเราไอไอทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแบ่างกายเวลาเวทนาตัวเนี้ยเป็นเราเราปวดหัวเราปวดหัวนะปวดแล้วยังไงต่อ เราอยู่ในอะไรนะเราอยู่ในหัวที่เราวัเราเป็นเกษณะกรเรดัวแล้น่เป็ความปวดหัวเนี่ยเป็นของเราเอเขากาวดัวึกวดัวไุ่ง เรามีเรามีแรงงานแล้วอันที่3ก็คือเราเแรงงาน้อยู่ในลำและอันที่4ก็คือเราอยู่ในเวทนาถ้าถ้าเอาสุ่งตัวหนักตัวเบามันจง่ายเวลาเราไม่สบายมากๆลุกไขึ้นเนี่ยเราจะไรู้สึกว่าความหนักเนี่ยมันทับเราเรามีความหนักทั้งหมดเนี่ยล้วนเลยแต่ว่ามันมีเราขึ้นมาทั้งนั้นเลย อันนี้ที่สี่นั้นสีเข้าใจตรงนี้แล้วแต่สี่จ่กตอนแรกนั้นสงสัยตรงว่าเราจะพิจารณาอย่างไงให้หลุดจากตรงนี้ไปได้ที่สี่เข้าใจอ่าพอบอกวันนี้เข้าใจแล้วเข้าใจยังไงถ้าเข้าใจที่อย่างที่สี่บอกว่าเราจะพิจารณาให้เราหลุดหลุดจากความเป็นเราอ่ะให้ไม่ใช่เราอ่ะให้กเราก็ต้องพิจารณาตัวสภาวธรรมที่มันเป็นคู่กัน เพราะอย่างว่าเรามีรูปใช่ไหมเราต้องพิจารณาในตัวรูปอย่างเช้นว่าเราหนักเราก็ต้องพิจารณาความหนักถ้าเราเข้าใจความหนักถึงสภาวะทางความหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวเราก็จะไม่มีมันก็จะหายไปความหนักคืออะไรความหนักก็คือถ้าหากเราจะพิจารณาในว่าความเป็นดีความหนักก็เหมือนตัวปฏิวิณหนะหรือเราจะเอพิจารณาโดยเป็นสภาวะหรือว่าโดยเป็นเป็นอ่าโดยการเป็นผมขนเรียบฟัน ได้เนี่ยว่าแต่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความหนักเราก็ยรู้สึกว่าเวลาเร า, เร า, เร า, เราตัวหนักเราก็รู้ว่าไม่ใช่ว่าเร า, เราตัวหนักแต่ความหนักเนี่ยมันเกิดจากเทนอะไรเนี่ยถ้าเราเข้าใจตัวความหนักแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็จะหายไปแต่ถ้าพิจารณาจุดเวทนาเหมือนกันอย่างเนี้ยเมื่อกีขณะที่เําลงนั่งอยู่เนี่ยทุถ้าเรารู้ว่าที่เราทุกเพราะว่าเราเกิดเทกขาเนี่ยเพราะว่า กายเราเนี่ยมันมาถูกสัมผัสอยู่กับเก้าอี้แล้วนั่งอยู่นานๆทุกเกิดขึ้นเนื้อธนาเกิดขึ้นไม่ใช่เราทุกเนี่ยตัวเรามันจะหายไป เ, เนี่ยนี่คือเราเข้าใจการพิจรารณาอย่างไี้แะเมื่อก่อนเราจพิจรารณาว่าตัวเราก่อนเนี่ยเรามันก็ต้องเราดิ้นะาาานาั่นแหละ้วมันไปไหนมันก็มันเราคือขึ้นต้นด้วยเราแล้วมันไปไม่ถูกเลยอนะ่ะจริงๆต้องพิจรารณาตัวชาวว่าธรรมไม่ใช่พิจรารณาตัวเราคือคือตัวเวทนาเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง นะทีนี้พอเข้าใจเรื่องเวทนาเนี่ยมันจะไปเข้าใจเรื่องอะไเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาไอ้โทมานัสเวทนามันเกิดร่วมกับโทสะมันจะไปเข้าใจสังขารขันด้วยใช่ไหมเรากลัวมันจะไม่มีแท้ที่จริงโทมานัสเวทนาไอ้โทสะนั่นเองให้โทสะนั่นเองเป็นผู้กลัวไม่ใช่เราเป็นผู้กลัวะ นะโทสะนั่นเองเป็นพวกกลัวเพราะโทสะมันได้ปฏิฆะนิมิตได้อารมณ์ที่ไม่น่าเชยดีไม่น่าชอบใจมันก็อยากจะหนีอยากจะผลากจากอารมณ์นั้นแท้ที่จริงก็คือตัวโทมนัดเวตนามันเกิดร่วมกับโทสะเจตสิกก็มีสัญญาเกิดร่วมนีนตัวโทสะเป็นสังขารตัวเวทนาเป็นเวทนาขัน ตัวสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันตัวโทสะจิตเป็นวิญญาณในขันแต่มีโทสะเป็นประธานโทสะเจตสิกไงแท้ที่จริงเราไม่มีกลัวอยู่ในนั้นแต่โทสะเจตสิกนั่นแหละแล้วก็ทำที่เกิดร่วมกับโธ ม, มนันัตกับโทสะเป็นผู้กลัวเป็นคู่ไม่ต้องการอารมณ์นั้นอยากปฏิเสธอารมณ์นั้นจะหนีจากอารมณ์นั้นก็เลยขนหวัหวลก อมันไม่ได้หรอกถ้ายิ่งกลัวตรงไหนยิ่งดีตรงไหนที่กลัวมากๆเนี่ยดีมันจะชัดเข้าใจอะมันจะขนหัวตั้งยังไงก็ชัด มันมีบางทีเนี่ยมันมันมีผีมันมีเทวดามีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์ระหาดเนี่ยมันมีแต่ก็คือก็แต่ไหแต่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสงขารยิญญานก็คือบอคือนี่ยคือจิตใจ่ไม่จารณาอย่างเนี้ยเทวดาบอมันไม่ใช่ไม่มี อย่าหลอกตัวเองใช่จริงๆน่ของเดล่ยนี้มันมีอยู่จริงๆใช่แต่จะปรากฏหรือไม่ปรากฏมันก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่สถานะแต่ไอความกลัวเน่มันเป็นโทสะมันเป็นสังขารขันใช่มมันไม่ใช่เราแต่มันสภาวะของโทสะเจตสิก มันเกิดร่วมกับโทมนาสเวทานามันเกิดร่วมกันกับทุกไอเกิดร่วมกับสัญญาเกิดร่วมกันกับสังขารบางส่วนแล้วก็เกิดร่วมกับวิญญาณมันมันอาศัยเกิดขึ้นพอสภาวะตํางานี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้จิตตะลูก ต้องวิจัยก่อนขาดเนนั้นทำไม้เขาวิจัยก่อนใช่ไหมที่คือบางครั้งเนี่ยมาไม่ก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหรอก่าฮเลฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่เฮ้าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าา่า่า สิ่งต่างๆเรานี้มันมีอยู่ทุกที่แม้ในบ้านเราแม้ในบ้านเราที่เราอยู่นั่นเราก็มีอยู่แต่มันคุ้นไงเรานอนจนคุ้นเราอยู่จนคุ้นอะไรคุ้นโลภะมันคุ้นตัณหามันคุ้นใช่ไหมทิฏฐิมันเข้าไปคุ้นหมดแล้วโทสศัมันก็รู้รู้หมดวิจัยไปหมดแล้วตรงนี้มมีอะไรไม่มีอะไรวิรจัยไปหมด แท้ที่จริงก็คือให้เข้าใจว่าสังขารแขันคือโทสะเวลามันเกิดขึ้นในสภาพของโทสะแท้มันโทสะจริงๆเลยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหตุธรรมชาต์ทั้งหลายกลัวใช่ไหมก็ไปสําคัญขึ้นมาทีนี้มันก็พุงแทงไอ้สังขารเป็นธรชาติที่ปุ่งแ่งอยู่แล้วมันก็พุงไปขึ้นมาเลยแท้ที่จริงก็คือว่า มันพิจารณาเราดิมันมีจริงหรือไม่จริงอ่าถ้ามันมีพระอยู่รูปนึ่งนะที่มีอยู่ที่หนึ่งไม่ใช่ที่นี่นะโอ้โหก็เล่นซะจนว่าไม่มีใครอยู่ได้เลยขนาดถ้านี่ถือว่าแน่เลยเนะี่ยก็จะมีองค์หนึ่งเนี่ยทุกวันเนี่ยอย่าไปเอ่ยนามได้เลยท่านว่าโอ้โหมาประหลาดมาก บางทีมาก้นเหมือนมากท่านก็บอกสรงกินไําไหมก็ปรากฏเท่านเลย <c oughs> ก็ปลากฏด้วยนะท่านก็บอกว่าไม่เห็นหน่ากลัวเลยบอกเอาให้หนักกว่า <c oughs> นี้วะนั่งเข้านั่งเข้าหมดไม่รู้จะทําีท่าไหนแล้วเขบอกอันนี้มันไม่เห็นมีอะไรก็ว่าก็ท่านเห็นอะไรรู้ไหมท่านเข้าใจว่าลูกเบญธนาสัญญ า, าสังการอีกอย่างบอกปลากฏนี้ไม่บอกว่าเอาให้แรงกว่านี้ท่านว่า อย่างเงี้ยเฮ้มาเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้นั่นโดยโทรศัพท์เลยนะท่านบอกคือท่านมองมันโดยโดยธรรมชาติเง่้ยเลยอันนี้พระบุรชนเราเนี่ยนะไม่มีอะไรด้วยแต่ว่าเรียนอันนี้เรนเข้าใจกันแล้วไม่ม่มีอะไรแล้วทบอกว่าเอาสิเอามาก็มองเลยลุกขึ้นดูเลยว่าอ่าวบางทีปรากฏแบบชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยนะนะเขาเอาไปดู เออทาไมรีบไปแล้วก็หายไปแล้วไม่มายเดี๋ยไม่มาเลยก็ใครไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้แต่ท่านนี้ไปอยู่อยู่เลยเอาสินี่ต้องอย่างนี้นี่เขาเรียกว่ารู้จักโทสะจริงก็จริงไม่มีอะไเขาใหญ่ใช่ไหมนี่ก็เรียกรู้จักตัวเขาจริงๆเลยนี่ยาบ แต่แต่แต่อย่าไปท้าก็คือคือคือตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าเราเข้าใจรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสงสารขันเราไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยเราควรจะเจริญอะไรตอนนั้นนะแต่ให้เข้าใจฐานให้ชัดว่าบัญญัติก็ชัดปรามาสก็ชัด เข้าใจใช่ไหมเพราะเราเข้าใจสภาวะธรรมเนี่ยรูปก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงเมื่อเราเข้าใจว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้เอามันไม่มีคําว่าเราอยู่ในนั้นเท่นั้นคําว่าเรากลัวเนี่ยมันไม่มีมีแต่โทมณสโทสะเจตสิกเป็นผู้กลัวปฏิเสธอารมณ์นั้นเท่านั้นเองเขาไม่ปราถนาจะเห็นอารมณ์นะั้นอ้าวแล้วโทสะเกิดเพราะอะไรอ้าวเพราะได้ปัจจัย นได้ปัจจัยเขาได้อารมณ์ที่ไม่นา่าชอบใจเขาคือไปตรงที่เงียบๆโทรศัไม่ชอบไม่ชอบแต่ปัญญาชอบใช่ไหมปัญญาก็จะได้ทํากิจในการวิจัยศรัทธาก็ทํากิจในการน้อมน้อมบูรุษเจ้าเราก็รู้แล้วเ อ, อตั้งมั่นในคุณของวาระตระหน่ายเนี่ยใช่ไหมเรามีสารณะเรามีที่พึ่งไม่กลัวอะไรเออนามธรรมาของเรามีสารณาอยู่ สัตินีของเราก็เข้าถึงสภาวะพุทธธรรมาสังฆะอยู่และเราก็ศึกษาสภาวก็ทามาขนาดนี้แล้วเนี่ยมีอะไรที่จะกลัวไม่ห้องเลย อัตตาแล้วปรดพูด ม, มีสิถ้าลองลองพิจารณาอย่างนี้นะถ้ากระจายทั้งหมดเป็นเสร็จนะกลัวก็ก็ไม่เทียงในความไม่กลัวก็ไม่เที่ยงอนนี้นะอาจารนี่เอาอะไรอาจานี่เขาเรียกมันกระจายถ้าเห็นด้วยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะเสียเรากลัวอะไรเอากลัวอะไร น่ากลัวไม่ได้เห็นด้วยความเป็นขันธ์ธาตุระยะชนะแต่ไม่น่ากลัวมันจะมาในรูปแบบไหนจะเป็นสมมุติว่าเรียกว่าช้างว่าเสือว่าอะไรใช่ไหมก็มันเห็นด้วยความเป็นขันธ์ธาตุระยะชนะแต่แล้วมีการวิจัยของเรามันยังไม่ชัดแค่นั้นเองแต่ตรงนี้ให้รู้หน้ากาก็เลยพื้นฐานในเบื้องต้นตรงนี้มันจะได้เข้าใจว่าแท้จริงคือโทรศัพทใช่ไหมแล้วโทรศัพท่ะถ้าเกิดได้กำแพงตัวเขาเองไม่มีกำลังเลยอาศัยปัจจัยสายการบุ้งแตง มันปงแต่งเยอะ น, ะนั่นเองที่ว่ามานั่งกลักวๆกันอยู่เนี่ยมันนั่งปรงแต่งยิ่งคนหัวลุกมะ้ยแสดงวปรงแต่งมากถ้ามันเกิดขนาดเดียวจเจอหัวลุกไหมมันต้องมีกําลังดิจั่มันต้องมีกําลังมากแล้วแสดงว่าเกิดถียิบเลยชาวนานี่แทบลองระวังนิดเดียวเองนะขึ้นเพื่อนเพื่อนเลยนะข้าวข้าวกันจ้ะนะข้าซื้อ เจอจอเลย้ ก, ก็เรียกา้ ก, ก็ทำดเลยียควากทอไเนี่ยโยมไม่ได้พิจารณาเรื่องพวกนี้แต่โยมจะพูดโยมว่าเออวดได้ใช่มาได้นี่ก็เป็นเราต้องทงานที่บโยมอกินก็ไม่กลัวบางทีบางที บางทีมันมั น, ม, นมันต้องดูว่าไอ้ที่พูดอย่างนั้นมันเป็นกุศลหรือไ ก, กุศลบางครั้งมันเป็นโทสะสู้กับโทสะเล ย, <c oughs> ยเลคือ <c oughs> อย่างนี้นะบางทีเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกเอามายกตัว อ, อย่างเวลาวิว่งแข่งกันใช่ไหมเอมาเนาต้งดงใจว่าเห้ยแน่หรือย เอาซิปสู้กันเราเขาวิ่งเขาเขาวิ่งมันอยู่ที่ใครจะอึดมากกว่ากันนึ่งใช่ไหมเราโกรธไหมโกรธก็คือว่าหนึ่งเราต้องทนให้มากกว่าเขาแต่ในขณะนั้นเราไม่ยอมที่ทีก็เกิดมาหน้าก็เกิดเราไม่ยอมเราไม่ยอมเอาที่บแบบนั้นนะเราจะวิ่งจนกวดาขาไม่มีาขาดไง ให้มันฉี่กอออย่างนั้นไงทำให้มันให้รู้ไปใครจะทนมันอยู่ที่แรงอึดแล้วมันพอๆกันเนีไยกําลังเท่ากันแล้วแล้วมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊ก้าวขาก็พร้อมกันเนี่ยเขาก็ก้าวได้ไม่ไวกว่านั้นแล้วมันก็อยู่ที่เอาที่แล้วก็มองก็ปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้ววัดใจกันแล้ววัดใจกันแล้วอยู่ที่ใครทนได้มากกว่ากันวิ่งไะวิ่งไปมันวิ่งอยู่นั่นแหละวิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขานะครับ แล้วก็เขาตายไม่เป็นนอนหายใจกระโวยแต่วก็นึกในใจ น, ใ น, นีมาสู้กับเราเห็นไหมมันอยู่ไม่ใช่กุศลเพราะเรายังไม่รู้จักสมาธิที่ทททมิจฉาทิฏฐิต้องวิจัยว่าจริงๆว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าเข้าใจตรงนี้เบีเสร็จเนะี่ยมันเข้าไปวิจัยก่อนหน้าแล้วพอเราเกิดจริงๆก็อ๋อ <c oughs> ที่วิจัยไว้ตอนนี้เห็นชัดขึ้นจริงๆ โอ้ oh, เป็นอย่างนี้เองโอ้เป็นอย roster, ่างนี้เองตรเนี oh. Then, right. ้ยพระธรรมของพระศาสดาอุปโคช์นี <Joanna> ่นะมันจะเห็นอย่างนี้จะเข้าใจแล้วก็เราต่างๆมันจะถูกกระจายไปเรื่อยๆถูกกระจายไปเรื่อยแล้วมันจะไม่หุ้มห่อความสําคัญผิดก็จะถูกละไปนั้นการละแต่ละขนาดนี่มันจะเป็นอย่างนั้นั้นการละมันจะถูกกระเทาะละเป็นแต่ละขนาดขนาไป แต่การละนั่นชื่อว่าละแบบไม่ถาวลความเข้าใจนั้นมีโอกาสจะมาผิดพลาดได้อีกเพราะเป็นการละที่ไม่ท้าวแต่นั่นแหละถ้ามันช่องทางตรงนั้นมันเดินได้ถูกแล้วมันเดินไปหุ่วิจัยเองที่ข้อมูลในการวิจัยเนี่แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละว่ามันมันชัดหรือ ย, ยังเวลาศึกษาตรงเนี้ยก็นั่งวิจัยนั่งสนทนากันไปจนกว่าจะได้มุมมองข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นี่มันก็จะสะดวกขึ้นนี้จะเป็นอย่างนั้น นี่คือเกี่ยวในเรื่องของอัตถิธีอ้าวใครจะแสดงท่าจะ น, น, น่ากลัวไหมเดนี้อ้าวสิ่งของต่ตางๆถ้ากลัวนี่กลัวอะไรเออแต่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องกลัวเนี่ยล้วกลัวอะไรกลัวรูปขันหรือกลัวเวทนาขัน หรือ ก, กว่าสัญญาขันสัญขาระขันหรือกลักกววิญญาณตขันเรากลัวอะไรใช่ไหมอะไรเป็นผู้ไปกลัวใช่ไหมไหนเราวิจัยที่วิจัยให้หลายๆหลายๆรอยรบไห น, น, น, นเราแล้วมันไปตั้งอยู่ตรงไหนมันถึงกลัวแล้วมันต่างอะไรกันใช่ไหมระหว่างกลางวันกลางคืนต่างยังไงเราไปนั่งตอนนี้ทําไมไม่กลัวแต่พราะว่าความมืดมันปกคลุมแล้วทําไมมันกลัวนะ ไม่กลัวอะไก็ถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่กลัวแต่ว่ามันคิดพุ่งทีเดียวก็พุ่งมากลัวไปเองถ้ามันหลอกไปเองที่กลัวสรุปแล้วก็คือว่าตัวสังขารละขันนี่สังขารละขันที่เกิดร่วมกับโทรศัพท์ใช่ไหมเราสังขารละขันอยังไหก็กลุ่มสังขารละขันห้าสิบนั่นเอง ออถ้าหากไปพูดถึงในเรื่องของเห็นจกักรวิญญาณก็เป็นอัตตก็มีเนาะพูดว่าการเห็นของเราชื่อว่าเห็นอัตตามีจกักรวิญญาณเมื่อพูดว่าการเห็นมีอยู่ในเรามีจกักรวิญญาณในอัตาแล้วเมื่อพูดว่าเราเป็นผู้สามารถในการเห็นนี่ชื่ออัตตาในจักรวิญญาณในวิญ ญ, ญาณห้าอื่นที่เหลือก็ในนี้ก็ไปวิจัย ก็เป็นวิจัยแล้วขนาดนี้เป็นต้นฉะนั้นก็กล่าวความเป็นไปโดยการถือขันทั้งหคือรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเนะว่าเรามีอยู่เราเป็นสัตเราเป็นมนุษย์เราเป็นเทวดาเราเป็นเท่าสกาเราเป็นพรมเราเป็นเปรตเราเป็นอสุรกายเราเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเราเป็นยักษ์เราเป็นอสูรอะไรก็ว่ากันไปนะเข้าก็มาอยู่เนี่ยเราเดินใช่ไหมเรายืน เรานั่งเรานอนเราเหยียดเราคุเมื่อบุคคลไม่เข้าใจสภาวธรรมแล้วก็กล่าวคําใดคําหนึ่งที่เกี่ยวกับอัตตาของตนหรือคนอื่นแม้เพียงชูชั่วคู่บอกว่าบางคราวจิตหรือคําของเขาย่อมดําเนินไปยึดมั่นในรูปในนามเป็นอัตตาเป็นตนบางคราวก็ไปเินเนินไปเกี่ยวข้องกับอัตตาบางคราวก็ดําเนินไปเกี่ยวข้องเดิ น, น, นสาอัตตาเป็นตัวเราเนีน้ยนะก็เป็นไป ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการดาเนินเรื่องไปในสภาวธรรมหนึ่ ง, งบางคราก็ดําเนินไปในสภาวธรรมที่ปิดกลุ่มรูปธรรมมันก็ประยึดมั่นกลุ่มรูปธรรมหรือนามธรรมก็ต้องไปสังเกตตรงนั้นด้วยนะไปสังเกตตรงนั้นด้วยทีนี้เหตุเกิดของอัตตาปรากฏโดยอาศัายความที่เป็นไปในอำนาจและอาการดังกล่าวเนี่ยไม่มีแก่บุคคลผู้รู้หรือเห็นรูปธรรมนามธรรมเรียนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนึน่งโดยตัจจ ถ้าเราไปแยกแยะที่จริงถามว่าวิปัสนาญาณเนี่ยนะถ้าแค่วิปัสนาญาณแรกเกิดขึ้นเนี่ยความกลัวมันก็หมดเลยเอาญาณแรกเลยนะยเขียนเลยความเป็นรูปเว็นานาฏยางการวิญญาณแค่นี้ยความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นหญิงเป็นชายความเป็นผีหรือไม่ใช่ผีเนี่ยมันหายไปหมดเลยก็ เห็นแต่วความเป็นรูปนามจริงๆใช่ไหมแล้วจะทํำยังไงให้ความเห็นนี้ปรากฏมากมากๆๆตรงเนี้ยเขาเรียกวิวบัตัญญ า, า, ราแรกๆเลยนันนะ ล, ละสกายยะที่ตีได้ละได้ชั่วขณะเป็นแต่ตามข้าประหารเขาเรียกว่าไม่มีตัวเราของเราแล้วเป็นแตเ่เพียงรูปนามเป็นแตเ่เพียงรูปเวทนาก็ดําเนินไปในอิยะบทต่างๆใช่ไหมแท้จริงก็บอกว่า แท้จริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หมุนไปตามยาบุตรเดินใช่ไหมใช่ตอนนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารหมุนอยู่ในยาบุนัเดี๋ยวก็รูปเวทนาสัญญาสังขารไปหมุนอยู่ในยาบทนอนเดี๋ยวก็ไปหมุนอยู่ในยาบุตรเดินเดี๋ยวแต่ไปหมุนอยู่ในยาบทยืนเดี๋ยวก็ไปเห็นไหมในการก้าวไปในการถอยกลับแสดงว่านั้นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำลังหมุนในการก้าวไปกําลังถอยกลับไม่ใช่เราก้าวไปเราถอยกลับบางครั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารก็อยู่ในการคู่เข้าละเอียดออก มครูเข้าย่ดอกอย่างงี้ใช่บางครั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาจะไปอยู่ในการแลการเหลี่ยวใช่ใช่บางครั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาก็ไปอยู่ในฐานะเป็นการกินดื่มเคี้ยวนิ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาอยู่ในานะั้นใช่หมนุ่หมถือพาชนะบางครั้งก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาไปอยู่ในนเป็นาม่มบางีก็รูปเวทนาสัญญาสังขารมอยู่ในการ ยืนในการเดินในการนั่งในการนอนนีใ่ในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งมันมีต่างไปจากนี้ไหมละ่ะแต้ที่จริงก็เป็นการหมุนไปของรูปเวทนาชัาาญญาสังขารญาณที่เป็นไปตามเอียบบทต่างๆเข้าใจอย่างนี้ไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้สิอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าน้ำรูปปริเฉดญาณชัดแล้วจะกลัว ไ, ไหนนะ มีอะไรอ่ะในอัตตาในเราที่ที่เวล า, าบอกคำว่าเราเนี่ยเป็นการสื่อให้เข้าใจพระองค์ก็ใช้ใช่ไม่มพระองค์ก็ใช้เนี่ยคำว่าเราเนี่ยเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเราเหยียดเราคู่เราก้มเราเงยเนี่ยแต่มันไม่แค่นั้นอ่ะทิศทีได้โอกาสเลยยึดปุ๊บปุบปบปบ๊มีอยู่จริงเนี่ยนะยึดบัญญัติคํานี้ว่ามีอยู่จริงเลย ว่าเรายืนเราเดินเรานัง่งเรานอนเราพูดเราโกรธเราดีใจเราเสียใจ ม, มันไม่ใช่แค่รูปแบบทำแล้วไปนามาทำแล้วเราดีใจเราเสียใจเราไม่พอใจไหมเราสุขเราทุกข์เราโศมนัดเราโทมนัดเราเบี่ขาใช่ไหมเออเราจําจํารูปได้เราจําเสียงได้เราจํากลิ่นได้เราจํารสได้เราจําสมบาดไ ด, ได้มันก็ไปไล่กลับนะคปนี่ในข้อความคือว่าโอ้เรามีศรัทธา เรามีบัญญาเรามีสติเรามีความไม่โลภเราโลภเราโกรธไหมเราหลงเราเห็นผิดเราเห็นถูกเราสงสยัยมันจะมีเราเหมอนะนขะข้าราชการมันก็ไปโลกเราสามีเราภรรยาเราญาติเราพ่อเราแม่เราก็โลูไปหมดเลยเหนี้เห็นเนี่ยไอตัวมิจฉาทิฏฐินี่มันได้อาหารเยอะมากมัน ก็ลักษณะที่เจตุการที่เราศึกษาเป็นสักครู่เนี่เขาว่าไงก็มนะีความยึดมั่นโดยหาปัญญาไม่ได้เป็นลักษณะไอ้มิจฉาที่ถีดร่สภาพที่เป็นจริงใช่ไหมกลับไปยึดถือเอาสภาพที่ไม่เป็นจริงล่สภาพที่เป็นจริงแล้วกลับไปยึดถื อ, อในสภาพที่ไม่เป็นจริงใช่ไหมใช่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยหน้าที่ไอหน้าที่ของเขาก็มียังไงมีการถือผิดจากสภาวะ เขามีหน้าที่ถ้าถือถูกเขาไม่เอาถ้าเห็นถูกเขาไม่เอาเ้าย่องถือผิดเห็นถูกเขาไม่เอาเขาจะต้องมีหน้าที่เห็นผิดถึงเนี้ยนะแล้วก็่นหละความผลปรากฏของเขาก็คือการยึดถือที่ผิดนี่แหละเป็นผลนี่ชัดแล้วยึดถือแล้วอ้าลองถามใจเราจริงๆดิตอนนี้พอศึกษามาตรงเนี้ยเรามีความเข้าใจว่าเป็นมือเราจริงๆนในใจเราใช้มือเราจริงๆฮะ ยังเห็นอยู่ใช่ไตรงนี้ยังล้าไม่ได้นะความเข้าใจยังไม่ถึงใช่ไหมว่าตาเราจริงๆริงไคิดว่าเนตาเราจริงๆไม่ความเข้าใจจริงๆของเรายังเห็นอยู่ว่าเป็นของเราจริงๆอยู่ใช่อสิังยันครั้งสยังอยน้ำแนี่นะเต้องฟังคนเดียวไม่ต้องลยแล้วตอนนี้ยังงั้นไหม่ตอนนี้สนใจเยอะพอจะเห็นว่า เราเในนั่นนี่จะเตรียมวิจัยออกได้ไม่ได้ตอนนี้เข้าใจแยกนะไม่ใช่ว่าแยกว่าเออมีทั้ง<ม><า>สองอย่างนะหมายถึงว่าไม่มีไม่มีแบบไม่ไแยกนะต่ไม่ใช่คิดได้ตลอดนะไ ม, ไม่ลองลองไปนั่งคิดถึงอารอมณ์อื่นก่อนนะลองไปคิดว่านี่ใช่ใช่ลูกเราจริงๆแล้วเราคืออะไรเราเนี่ยคืออะไรลองลองเข้ามาตั้งสมมติฐานก่อนเรานี่มันคืออะไรก่อน ใช่ไหมตั้งเราเอาพิจารณาไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าที่พยายามพยายามีปตั้งวิธนนาใช่ไหมที่เราไปเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยสัญญาใช่ไหมที่ไปตั้งว่าเป็นเราเนี่ยสังขารใช่ไหมที่ไปตั้งว่าเป็นเราเนี่ยวิญญาณใช่ไหมที่ไปตั้งกันเราหรืรวมรวมไปเสร็จแลยสมมุติว่าเป็นเรานี่ผิดเลยเนี่ยอันนี้เขาเห็นผิดแล้วแล้วต้องบอกนี่มันเห็นผิดเนี่ยแล้วต้องถอยหลังกลับมาเลยนี่อายาไม่ได้แล้วเช้าใจไหมนี่มันเห็นผิดเนี่ย ถ็อย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงที่ไหนล้วมันเกิดดับตลอดนี่เริ่มเกิดจากเคต็ปัจจัยเนี่ยแล้วอะไรเป็นตัวไปยึดมิจฉาทิฏฐิแท้มันเกิดอยู่ในไหนในกระแสขันธ์ธาตุยานตนาเน่ยะนะมันมีกําลังในตัวเนี้ยเอามาวิจัยใหม่ทีเอาตัวมิจฉาทิฏฐิมาวิจัยยึดสภาวะมัน เ, เป็นยังไงนั่งวิจัยดูเลยอ๋อเขาเห็นผิดเขาระสภาวะที่เป็นจริงมายึดถือในสภาวะที่ไม่จริงอ๋อนี่นีมั น, นมีอยู่จริงอ๋อมันเกิดขึ้นไอตัวนี้เองใช่มทั้งทั้งที่เขาไม่เที่ยงเป็นทุกนนััตตา่้วี แต่เรามายึดได้เอามาปฏิปต่ปะเป็นเราเท่นได้อ่ะเอาซิปฏิปต่อเป็นเราเนได้อย่างเมื่อเมื่อวานนี้ไหมก็วันเนี้ยมันหายไปหมดแล้วมันหายไปหมดแล้วนั่งกินข้าวตอนกลางวันมันหายไปแล้วตอนนี้มันเจ็ดหนึ่งทุ่มอยู่แล้วเนี่ยแล้วไหนอะมันอยู่ตรงไหนอ่ะตาหูจมูกเล่นกายใจตอนนั้นเนะี่ยมันหมดไปแล้วอ๋อ แล้วก็มายึดถือกันมาอยู่อย่างเนี้ยว่าเรากินข้าวอิ่มแล้วเห็นไหมแ้่กินขันท่าแต่ย่าแตนาเป็นผู้กินเห็นไหมแล้วขันท่าย่าแตนาพุทธิผู้บริโภคต่าง ม, มันก็หมดเกลี้ยงไปแล้วตอนนี้ขันทาย่าแตนมันก็สืบต่อมาเนี้ยเนี้ยแล้วก็ทําความเข้าใจให้เราผิดอยู่เนี้ยโดยสภาพสิ่งต่างๆอะไรนี้มันมันมันมีการเกิดดับสืบต่อม า, าตามลําดับ แต่มิจ่าทิฏฐิก็พยายามจะไปค้านความจริงเหล่านี้มันเหมือนกับอะไรล่ะไปค้านความจริงว่าพระอาทิตไม่มีอยู่จริงมันค้านได้ไหมคิดแทบตายมันก็ทุกข์มิจ่าทิฏฐิถ้าเข้าไปวิจัยจริงๆจะเห็นว่ามิจ่าทิฏฐิเนี่ยยึดถือสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงว่ามีอยู่จริงแล้วนี้ไอ้บัญญะนะัติเนี่ย บัญญัติคําว่าชื่อใช่ไหมโดยสถานะความเป็นพ่อความเป็นแม่ลองดูที่ตรงไหนคือพ่อแม่อาศัยความเกิดดับสื่อต่อกันมาตามลําดับอย่างนี้เท่านั้นใช่ไหมมองบัญยัติว์วพ่อแม่อันนี้โอ้เนี่ยเห็นไหมมันไปยึดมั่นจนจนแน่นหมดแล้วไอตัวมีจฉาทิฏฐิเนี่ยเพราะสภาพความเป็นจริงนั่นมันคือรูปเวทนาตัญญาแล้วมาวิจัยดยที่ วิจัยอะดินน้าไฟลมใช่ไเาวิจัยอะไรจกักครูประสาทใช่ไมโซ ต, ปต้ประสาทคานปาประสาทจิวหาปาระสาทกายยประสาทเรามามาทำวิจัยรูปารมณสัตวารมกันอารมณละสารลมปวดตมอยู่เอาวิจัยดูดิอิทธิภ า, าวะพลิศภาวะหายใจยาวชีวิต่อาหารใช่ไมกายย่อยวิจญะ แล้วหูาาาตามุอาตากรรมันตาอุปัชฌายะสันตติชิตาอนิจจตานี่มีอะไรอะมีอะไรตรงนี้วิจัยนี่เราขาดการวิจัยจริงๆแล้วมันไม่มีมันไม่มันมันแท้จริงเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งด้านนั้นเองแล้วสภาวธรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาลักษณะของแต่ละยลอย่างเราก็ยังไม่ชัดใช่ไหมที่ถ้ากลุ่มนามาทมนะําน่ะยิ่งโอ้โหเร็วใหญ่เลยกลุ่มนามาทมนะําอะเวทนาใช่ไหม เราเข้าใจว่าเป็นเราสัญญาใช่ไหมดับเร็วมากเอาเวทนาช่วงไหนเป็นเราอะเอาช่วงไหนเวทนาช่วงกลางวันช่วงตอนเย็นอช่วงตอนบ่ายโมงบ่ายสองโมงบายสาโมงเวทนาช่วงไหนดีบ่ายสี่โมงห้าโมงหรือหกโมงครึ่งนี้มันก็แตกดับไปตลอดเวลาแล้วจะเอาเวทนาตรงไหนเป็นเราเอาเราอยู่ที่ไหนกับเวทนา แม้สัญญาสังขารมิจารยก็แตกตับเร็วอย่างเนี้ยเท่ากับเหตนาสิแล้วไปยึดอะไรทําไมยึดในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงละ่ะแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากเคียปัจจัยอ่ะใช่ไหมแล้วกลัวอะไรแล้วกลัวอะไรกลัวในสิ่งที่มันเกิดดับกลัวสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงถามว่าเมื่อเข้าไปรู้ความจริงอย่างเนี้ยทิฏฐิรับไหวไหมทิฏฐิก็รับไม่ได้ ใช่ไหมปัญญาไปรับได้เพราะนี่ของจริงของจริงมีอยู่ตรงเนี้ท่านวิจัยจริงๆริงดิเราจะเห็นว่าจริงๆมีอยู่จริงมอ่าที่ที่ว่าเราเรามีเรามีเรามีว่ามีอะไรอยู่จริงมันความฝันทั้งนั้นของยืมเข้ามาทั้งนั้นมันเป็นของหลอกลวงทั้งนั้นไอ้ น, นะมันก็เริ่มวิจัยได้ใช่ไหมแล้วมีอะไรอยู่จริงไว้ตรงนีน้วิจัยใหม่ๆเนี่ย แล้วทั้งๆที่ตันหาวิจัยเนี่ยยอมดีตั้นหาร้องไห้อะมันร้องไห้มันเสียดายมันสมัยก่อนเี่ยาเนียนังร้องห้โทรมานัดเนี่ยร้องไห้เลยทั้งๆมันไปเข้าใจแล้วมันไม่มีเราไปใช่ไหมที่มันก็เสียดายที่มันไปยึดมาตั้งนานแล้วไปยึดในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงอ่ะมันไม่ใช่ว่าตั้งทิฏฐิตั้งแล้วมันจะไม่เข้าใจเนี่ยแล้วมันไม่กล้ามันไม่กล้าคิดแบบนี้มากมันกลัวไม่ได้อะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยในสําหรับที่จะมันจะยึดถือเนี่ย ไอ้ที่ยอมเซลยพูดเนี่ยมันหมายความว่ามันไม่ใช่ว่าเอาไปไปใคร่ควรไม่ได้มันไม่กล้าคิดมันกลัวมันกลัวสิ่งสิ่งจริงอ่ะเพราะมันในฐานของเขาคืออะไรไอ้ตัวมิจฉาทิฐิฐานของเขาคืออะไรละสภาพที่เป็นจริงเขายอมรับความจริงไม่ได้หันกลับมาหาสิ่งที่มันไม่เป็นจริงแล้วก็ยึดสิ่งที่ไม่เป็นจริงว่าเป็นจริงนี่คือทิฐิหน้าตาก็อย่างนี้ หน้าตาของวิจาที่ตีดเป็นอย่างนี้เช่นว่าแ ท, ท้จริงดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเป็นผมแต่สาคัญว่าผมถ้ามาปากอยู่บนศีสานี้บอกว่าผมเราเอาสิแต่ถ้ามันอยากให้หลุดนะหลุดเดียวนั้นก็บอกว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมพร้อมที่จะละทันดีตะหนากถึงนั้นแล้วก็ยึดสิ่งที่เหลือต่อไปเอาสิมันยึดอย่างเงี้ยยึดจนสากมันจะไม่มีจะสากจะยึดแล้วก็ยึดอยู่นั่นแหลนะในเขาก็ ปล่อยอย่นี้ก็ไปยึดอันใหม่อีกมันก็เราออกมาในสงสารวราดีอย่างเงี้ยตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราหกละเขินเลยเพราะองตัววิจฉาทิฏฐิแท้มันไม่ลองวิจัยที่จริงๆเราโดยมากเราไม่ค่อยไม่ค่อยวิจัยมันพอวิจัยมากๆมากๆมากๆมากๆเข้าเนี่ยมันไม่มีเข้าใจใช่ไหมมันไม่มีหรอกมันเกิดจากเขตปัจจัย แท้ที่จริงมันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขายวิญญาณคําว่าเราเนี่ยมันกระจุยหมดเลยไม่มีเหลืออยู่เลยเนี่ยนะเหมือนกับมือเราผมเราเล็บเราฟันเราหนังเราเนี่ยจมูกเราเนี่ยแท้ที่จริงสภาวะเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นสภาวะของทิฏฐิเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับโลภะเป็นสภาวะที่เกิดตับชนิดหนึ่งที่เข้าไปยึดแต่ละขณะยึดแต่ละขณะ ว่มันยึดมากขึ้นมากขึ้นมันมีกําลังมากขึ้นนะเข้านะเข้ามันย e. ึดจนมันหลงหมดแล้วจนมันมืดมนอนตการเหมือนสนสมการผิดว่ามันมีอยู่จริงๆแล้วมันสร้างมโนภาพจินตนาการอย่างใหญ่หลวงเขาใช่ยังมันสร้างจินตนาการสร้างอาณาจักรสร้างวงจรทังมันเรียบร้อยเบลเร็จแล้วมันไปที่ไหนมันเที่ยวยึดไว้หมดเขาใช่ยังมันเป็นอย่างนี้หน้าตามันเป็นอย่างนี้ มันไม่ใช่ว่าไปเอาตัวเขามาตั้งไม่ได้นะได้แต่ว่าการวิจัยให้ถึงไหมถ้าวิจัยให้ถึงเนี่ยนะเขาน่ะเขาก็บกมือเราแต่แต่เขากลัวถ้าวิจัยแบบนี้เขากลัวมากเลยแล้วยิ่งวิจัยหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้านี่เนี่ยเขาจะ อ, อืเดือดร้อนใจมากต่อไปเขาจะสร้างเหตุปัจจัยมาดึงเราทุกรูปแบบดึงทุกรูปแบบ เอาพ่อตายบ้างเอาแม่ตายบ้างเอาลูกตายบ้างเอาสามีตายบ้างเอาญ่าตายบ้างเอาคนนั้นเดือดร้อนบ้างหนอกอะไรต่างสารพัดแหละมันสร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้มันสร้างแต่พอมันปัญญามันมันเริ่มจะทํากิดมากขึ้นเนี่ยตัวมิจฉาทิถีมันกลัวหนีมันกลัวมันกลัวมันก็เข้ามาโถมใช่ไหมมันสุดฤทิ์สุดเด็ชมาเลยแต่เนี้ยเขายายามันสุดฤทิ์สุดเดชม้เลย มันให้ข้อมูลเยแย่ๆหมดเอาอุปสรรคมาขวางเอาคนมาตําหนิตำต่างๆนี่เล่นช่วยกันนะเอาุณศลกรรมทั้งหลายบอกคนไม่ได้ละเห็นไหมเอาคุณศลกรรมมาตัดรอนเลยให้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียอย่าไปฟังคนนี้มาฟังแล้ไม่ได้หรอกขนาดนั้นเลยแต่เขาก็แพ้กันกลับไปไปนั่งแล้วก็มิจฉาทิฏฐิก็กินกันอยู่ทุกวันเนี่ย ไม่กล้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปหรอกนคนที่จะกล้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยกระจุยไปเลยพวกนี้นี่ในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่กล้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจริงๆเพราไปเฝ้าแล้วก็เกิดปัญหาอย่างนี้แหละเจออุปสรรคที่ก็โดดเด้งกันนี้กันไปหมดแล้วเข้าใจอย่างตัวเนี้ยมันเป็นแบบนี้ไม่จริงใช่ไหมมองเห็นไหมอย่างเงี้ยนั้นจึงบอกถ้าวิก้าวิจัยจริงๆเนี่ย หลุดเราเนี่ยหลุดและความเข้าใจก็จะชัดขึ้นทีนี้ถามบอกว่าปริมาณวันนี้มันยังไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมเราก็จะเริ่มรู้ว่าโอฐานมันไม่เข้าใจอยู่ตรงไหนจริงๆว่าเออพอไม่เข้าใจไป็เสร็จปุโอ้ฐานทั้งด้านของรูปเวรนาสัญญาสังขารมิยญญานยังไม่ค่อยชัดแค่นั้นแหละใช่ไหมหมาปุถุรูปสี่คือปัตตวีอาโปเตโชวายโยก็ยังไม่ชัด จากกูโซตา่านา้าจิวหากายะกันยังไม่ชัดรูปอารมณ์สตารมกันตารมและสาวลมปวดอารมกัยังไม่ ช, ชัดใช่ไหมตรงเนี้ยถ้าถึงเงินี้เริ่มชัดขึ้นเราจะเห็นด้วยความเป็นรูปธรรมชัดขึ้นนะเข้าถ้าเข้าลองวิจัยมากขึ้นว่าขึ้นดสีสุตานี่แหละถ้าวิจัยมากๆสะเทือนเกันนะอย่าลืมนะสะเทือนเลยเคยเคยวิจัยขนาดนี้ไหมล่ะยังอยู่ไหมแต่ลองลอ ง, ลองคิดดูที่ว่า ปริมาณของตัวมิจฉาทิฏฐิเขาทำงานมานานเท้าไไม่เคยละออความรู้สึกเราไปเลยอะ่ะโดยส่วนใหญ่นะเราขนาที่เราเราอยู่กับเพื่อนอยู่กับญาติมิตรทั้งหลายเรานี่ความเป็นเราทั้งนั้นเต็มไปหมดแล้วมาอยู่กี่ปีแล้วงั้นถ้าเราจะมาเอาข้อมูลตรงนี้เลยทีเดียวเนี่ยใช่ไหม เราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันเริ่มเห็นร่องรอยใช่ไหมเนี่ยร่องรอยมันเริ่มเห็นเราเริ่มที่จะเข้าไปเจาะเข้าไปวิจัยมันได้ตรางแล้วพราจะเริ่มมองอย่างนี้เราก็จะเริ่มโอ้โหเข้าใจคำว่าฝ่าดงหนามของมิจฉาทิฏฐิฝ่าโรกชัดคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐินะมันเป็นโรกชัดมันเป็นยิ่งกว่าแขนงไัย มันยิ่งกว่าป่าดงดิบมันยิ่งกว่าทางกันดารมากที่เราจะเดิน่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยออกมาได้เนี่ยโอ้โหขนลุกขนพองกว่าจะม่ได้มาฟังธรรมกันได้เนี่ยมันฟามัได้ยังไงเนี่ยหลุดมาได้ยังไงในการว่านั่งฟังธรรมเนี่ยมันต้องเจอเหตุการณ์อะไรเยอะแล้วมันจะต้องไปตอบปัญหาตัณหาทิฏฐิอีกเยอะมากจะต้องอธิบายเขาอีกเยอะใช่ไหม จะต้องขอร้องเขาอีกเยอะใช่ไหมใช่แล้วมันยังมีปัญหาอีกเยอะตามมานี่ปัญหาทางด้านสังคมทางด้านครอบครัวอะไรก็ดีว่ากันมาเนี่ยปัญหาทางสิ่งแวดลอ้อมปัญหาทางด้านของสถานะอะไรอีกเยอะแยะหมดเกี่ยวกับเรื่องของต้องแสวงหาอาหารในการเลี้ยงลูกประกายมันเนะี่ยเป็นค่าใ้ามันอยู่เนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนในชีวิตเนี่ยใช่ไหมมันให้เนี่ยตัวตเนี่ ย, ย, นนยคือสิ่งที่พิจารณิติมันให้เรา พอมันเห็นผิดแล้วมันก็จะดําเนินชีวิตไปอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันเห็นถูกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกล้ามันกล้าทิ้งที้งถ้ามันเห็นผิดเน่มันไม่กล้ามันก็จะไปอีก ม, มุมนึ่งเนี่ยมองเห็นได้อย่างแต่นี้ยนี่เป็นอย่างนี้อ้าวมีใครสงสัยอะไรตอนนี้มีอะไรยังขัดข้องไว้เรื่องวิชาทฤษฎี คือคืออธิบายให้เพื่อนกเอ่ะมุมที่บอกว่าเข้าใจเนี่ยเพื่ออธิบายสรุปอ่ะคือเงี้ยเมื่อกี้ที่ที่อาจารย์บอกว่าอยากเข้าใจว่ามืออ่ะเป็นเราอ่ะใช่ไหมถ้าเราเข้าใจเราก็พิจารณาเลยวาจริงจริงแล้วมือเราก็ต้องรู้จักว่าดินน้ำลมไฟคืออะไรนะ ความอ่อนความแข็งความแล้วมันรวมกันใช่ไหมก็ามาเป็นมือเป็นกระดูกเป็นอะไรเงี้ยคือวิจัยมือให้ท่องแท้เลยก็จะไม่ใช่เราถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมาธิที่เกิดมิจฉาทิฏฐิที่เข้าใจผิดว่าเป็นเรามันก็ไม่มีตัวเราก็สลายไปใช่ไหมแต่สมมติถ้าเรามาพิจารณาแต่ไม่ได้แล้วก็จะบางทีคิดว่าจักถุกหลุดยาเนี่ยซึ่งยังนึกไม่ได้ คือเห็นพอเห็นจะบอกว่าเราเห็นเนี่ยจะให้ถึงว่าจริงๆแล้วมันคือตัวจักรคูวิญญาณเห็นคือการเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่เราเห็นเนี่ยมันแยกออมคืออย่างนี้ไงตัวจักขคูวิญญาณเนี่ยแท้ที่จริงก็คือว่าเห็นรูปารมณ์เนี่ยใช่ไหมเราไปเข้าใจว่าหนึ่งนาฬิกาอ่ะอะไรมานีเนี่ยอาจารย์นิคนาฬิกาของเราเออไม่ใช่ขอไปแว่นตาของเรา ฉันนึกถึงนาฬิกาตรง น, ฤฤ <c oughs> นี้เลนคือเนี่ยคือแว่นตาของเราใช่ไหมที่จริงคือดินน้ํำใบลมใช่ไหมสีกิรติมีสีใช่ไห ม, ม, ไหมถามว่าอะไรไปเห็นจากคุญญานเห็นแต่สัตว์โลกไปเข้าใจว่าเราเห็นทันทีเพราะมันจ็ดตัวจากคุณยานมาตั้งนานแล้วแล้วไม่ใช่เราเห็นสีด้วยนะไปเห็นแว่นก็เห็น เห็นไหมแท้ที่จริงคือรูปารมณ์เนี่ยรูปารมณ์คือสีอะที่มันจะมีสีได้เพราะประกอบไปด้วยมหาพูทปริมาณของเม็ดมหาพูทธเนี่ยมากเหลือเกินดินน้ำไบลมเนี่ยเยอะมากก็เป็นที่ตั้งของสีต่างๆโดยสรุป ก, ก็คือตัวจักขูยิญญาณเนี่ยเป็นผู้เห็นตัวรูปารมณ์เนี่ยเป็นผู้ถูกเห็นแต่สัตว์โลกนั้นสําคัญผิดสองจุดเลยนะหนึ่งสำคัญจักขูยิญญาณเป็นเรา สองสำคัญว่ารูปารมณ์เป็นแว่นเราโอ้โหเห็นไหมเนี่ยไปเข้าใจว่าจักขวิญญาเนี่ยเป็นเราไปเข้าใจว่ารูปารมณ์คือแว่นเราไปเข้าใจว่ารูปารมณ์เป็นแว่นแท้ที่จริงแหวนน่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกจะเรียกอะไรก็ได้ภาษาต่างๆก็ว่ากันไปถิ่นต่างๆก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ละท้องถิ่นก็ว่ากันไป ก็ไม่เรียกแว่นหรอกแต่เราในภาษาของเราที่เรามันหยาดว่าแหวนา พ, พูดว่าเห็สีก็เคคิดแต่ว่าสีาน้ำตาสีเหลืองสีเลยไม่ใช่ได้หยุดหยุแค่ว่า่แต่ว่าสีใช่ถ้าบอกว่าสีน้ำตาลมันไปแล้วมันไปแล้วมันเกินไปแล้วเ ก, เกินความเข้าใจไปแล้วทีนี้แท้ที่จริงถามว่าจักขูวิญ ญ, ญาณที่เป็นผู้เห็นนั้นจักขูวิญ ญ, ญาณ น, นั้นเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัย ราะจักขูวิญญาณ ma, <Same. S 1> er เนี่ยอาศัยจ <St aning> ักขู菩萨เป็นไปจักขูวิญญาณเนี่ยเป็นเป็นวิญญาณขันธ์เกิดร่วมกับเวทนาเกิดร่วมกับสัญญาเกิดร่วมกับสังขารและตัวจักขูวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้อาศัยจักขู菩萨กูเห็นไหมแล้วจักขูวิญญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีอารมณ์คืออารมณน่าปัจจัยคือรูปอารมณ์นี่แหละเขาถึงจะเกิดขึ้นมาได้แล้วจักขูวิญญาณเนี่ยที่เป็นไปได้เนี่ยเป็นตัววิบาก ที่มีตัวกุศลกรรมนะจักรวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมีกุศลกรรมที่บวกกตัญหาและอวิชาในดีนั่นแหละเป็นปัจจัยเห็นไหมว่าจักรวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เนี่ยตัวจักรวิญญาณเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเพราะปัจจัยของจักรวิญญาณก็ไม่เที่ยงจักรวิสัตถ์เที่ยงไหมและจักรวิญญาณที่อาศัยจักรวิสัตถ์จะเที่ยงแต่ที่ไหนจักรวิสัตถ์ที่เป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับอยู่ตลอดเวลาแล้วจักรคุยัญที่อาศัยจักรคูปาศที่เป็นเป็นทุกข์มันจะเป็นสูงได้อย่างไรแล้วแล้วจักรคูปาศที่เป็นที่รองรับเป็นที่อาศัยเนี่ยนะที่จริงจักรคูปาศเป็นอาธาระใช่ไหมจักรคุยัญเป็นอาเทยะก็คือเป็นเป็นจักรคุยัญเนี่ยเป็นตัวเข้าไปอาศัย หรือเป็นผู้อาศัยจกักรพรรดิอุปมาเหมือนกับที่เหมือนกับสถานที่ที่ให้ให้จกักรวิญญาณอาศัยเท่านั้นเองทั้งสองอย่างนี้ล้วนเกิดจากปัจจัยหมดเลยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่สิงที่เนื่องด้วยเราทั้งนั้นแต่ทิฏฐิต่างหากไปยึดผิดว่าจากักรวญญาณเป็นเราจากักรพรรดิเป็นเรารูปอารมณ์เป็นแว่นเราเห็นไหมไมิจฉาทิฏฐิเราไล่ ไ, ลไปหมด เข้าใจใผิดพลาดหมดเลยทีนี้พอจกักวิญญาณเกิดขึ้นมาในตัวจักวิญาณเนี่ ย, ต, ย, นนยตัวเขาเองไม่ได้กำหนัดขัดเครืองรุ่มหลงอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้กําหนัดขัดเครืองรุ่มหลงอะไรเลยเนี่ยจกักวิญญาณเนี่ยเพราะจักวิญาณเป็นวิบากจิตใช่ไหมแล้วก็เป็นอิจตุกจิต ด, ด้วยไม่ใช่ชวหน้า ด, ด้วย เขาจะไปกำหนักด้วยโลภะก็ไม่ได้ไปขัดเครืองด้วยโทสะก็ไม่ได้ไปร่วมเหลือหลงด้วยโมหะก็ไม่ได้แต่ชาววัณณะของสัตว์ที่ไม่ได้มีโยนิสุบมณสิกานอย่างเราเท่านทั้งหลายนี่แหละเลยไปยึดว่าเห็นนั่นคือเราเป็นผู้เห็นอัตตาเป็นผู้ไปเห็นมันมีอยู่จริงที่ไหนแล้วอัตตามีจริงที่ไหนมีที่ไหนแล้วเป็นสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงมิจฉาทิฏฐิสมมุติขึ้นว่ามันมี มิจฉาทิฏฐิเป็นผู้อุปโลกขึ้นว่ามันมีมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้แต่งตั้งว่ามันมีอยู่จริงแท้จริงมันไม่มีเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิเที่ยวสถาบันาไปทั่วว่าตาเราว่าจากขวัญญาณของเราแว่นของเราไอตัวมิจฉาทิฏฐิมันเที่ยวไปทํางานแล้วสถาบนาตั้งขึ้นมันตั้งสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงเพราะมันกลับจากสิ่งที่เป็นจริง มันถอยจากสิ่งที่มาเป็นมาริงแล้วก็มาสมาทานสิ่งที่มันมีอยู่จริงเข้าใจยังมันก็เลยไปส็นสาคัญผิดว่าเห็นไหมจากขวัญญาจากขวัญญานเนี่ยเป็นเราเลยเราเห็นนู่นไหมแท้จริงจากขวัญญาเป็นผู้เห็นพ่อบอกว่าแล้วยังไปเห็นภาพตอนนี้ว่าจากขวัญญาเป็นผู้เห็นแว่นมันเห็นได้ที่ไหนเราแว่นมันมีอยู่จริงที่ไห น, นสีใช่ไหม สีคือจากคุณญาณเห็นความสําคัญโดยความสมมุติกันมาตามเราวิถีจิตเกิดอย่างมากมายขึ้นมาก็สมมุติเรียกกันว่าแวน่นจะได้เข้าใจการว่าจะได้ไม่สับสนบอกหยิบแว่นมาดีจะไม่ได้ไปหยิบช้อนพยายามจะได้เขาอย่าไปเอาบัญญัติมาเป็นของจริงที่มันก็ยุ่งเลยทีนี้งั้นก็ไปเถียงกันตายแล้วก็คนละประเทศเนี่ย ใช่ไหมเพราะเรียกไม่เหมือนกันนะ่ะแท้จริงก็คือสภาพของดินน้ำไฟลมที่มีถ้าเห็นก็รูกก้ก็รู้ลริ่มมองเห็นเลยเนี่ยนล้วจากขวิญญาณเนี่ยเมื่อพูดว่าเราเห็นผิดหมดเลยอันนี้ปัญหาในตั้งผิดด้วยวจะตอบยังไงถ้าบอกเราเห็นใช่ไหมเพราะอตัวเห็นคือจากขวญญาเห็นเนี่ย คำว่าเรามันไม่มีก็ต้องบอกเราไม่มีจากขูวิญญาณในผู้เห็นนี่ต่อไม่ถูกเราได้ยินเอา้าเราไม่มีโสวตวิญญาณจะเป็นผู้ได้ยินเนี้ยเราได้กลิ่นเอา้าไม่มีอค า, านะวิญญาณจะเป็นผู้รู้กลิ่นเรารู้รสเอา้าไม่มีอีกเอกคําเนี้ยแท้ที่จริงคิวหาวิญญาณเป็นผู้รู้รสเรารู้เย็นร้อนเอา้าไม่มีอีกตัว กายยะวิญญาณเป็นผู้รู้เย็นแลร้งนี่ น, นี่มองเห็นไหมเพราะตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันจะไปอุปโลกสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงว่ามันจริงเนียนเป็นอย่างนี้เขาเลยไปเที่ยวไปสถาบนาไปทั่วแล้วเราก็ตามมันนี่ใช่ไหมความเข้าใจกระแสะขันธ์ธาตุนะ่าจะตามมิจฉาทิฏฐิก็ให้มิจฉาทิฏฐิเป็นตัวนำํำพอมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมันจะตามมาด้วยมิจฉาสังกปะ พอมันดำรีผิดแล้วมิจฉาวิ ย, ยาตามมาไหมมิจฉาวิ ย, ยาแล้วก็การกระทําเป็นมิจฉาอะไรกรรมมันตาแล้ว ก, การประกอบอาชีพเป็นมิจฉาอาชีวะถ้าเพียรก็เป็นมิจฉาวายามะพอระลึกก็เป็นมิจฉา ส, สติเห็นไหมอพอตั้งมั่นก็เป็นมิจฉาสมาธิพอเข้าไปรู้ก็เป็นมิจฉาญาณ น, นะเอาเลยสิพอจะหลุดพ้นก็เป็น มเ ม, ม็ดชาววิมุตตไปเป็นแถวไอ้มีจาริธินี่แหละเป็นธทำอันตรายมันเข้าใจกันผิดมาตั้งนั้นแล้วในสังสารวัตรเนี่ยเพราะไม่เจอพระธรรมเพราะไม่พบสัมมาสัมโพธิยา น, นี่แหละจึงต้องท่องเที่ยวเนี่ยไม่พบโพธิยานนี่แหละยังไงถ้าได้สักโพธิยานดีเอาสิปเจกับโพธิยานที่มั้ยสาวกกับโพธิยานหรืสอสัมมาสัมโพธิยานเราจะไม่งง เข้าใจยังเริ่มชัดหรือยังก็การทำความเข้าใจนี้ให้แก่แจ้งให้ชัดขึ้นให้กว้างขึ้นและอยากให้มันกลับมามืดอย่างเ ก, ก่าเองมันก็มา น, นั่งคุยเรื่องเดิมอนี่เข้าใจามันต้องใช้เรียวแรงกันจะอธบยเนะี้ย ตรงนันอธิบายยอมสดีฟังไงกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้อะไรอะไรสุดล้มเพิ่มม่เข้าใจจริงจวันนี้มันติดแต่ยังไม่แน่นะว่าจะไม่เข้าใจไม่ใช่คือเพราะความไม่เข้าใจเนี่ยมันจะค่อยๆกลับเข้ามาอีกมาพอยิ่งไม่ถกไม่พุ้ยใจไม่ใกล้ควรมันก็มืดเหมือนเดิมมันเคยเข้าใจมากกว่านี้ยแล้วมันก็หายไปเนี่ยมันเพราะอะไรประมาทประมาทใช่ไหม ก็คือขาดสติลแล้วก็ขาดวิริยะแล้วก็ขาดสมาธิเอาสามตัวนี้ไปไปไข้ครวรให้ น, นะแล้วก็แล้วค่อยมาว่ากันต่อพยาเจ้ามา ความที่เป็นสุดสุดยต้องให้คนใจแกะทีประโยคประโยคน์กัาถ้าทำให้ดีต้องบอกว่าอยู่ที่ใจกันคนได้เขาใจเฉยเอาเอาสเอาเพนไอที่อ่านอยู่ที่ใจเดี๋ยวจะได้อยู่ที่ส่วนบอกว่าที่จที่จริงที่จริงนิชชาที่ที่นี่เป็นเรื่องที่พูดมองมากน้อยนี่นะทั้งวันเลยนี้ พวกเราต้องเเช้ามาแล้วพึ่งน่ง้ไม่จ่าที่ดีดโดยเฉพาะมีตอวยืนคุณบนไม่จ่าทีาด่ดีอมมดตอยเย่ <c oughs>